ก็กว่าที่จะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็ใช้เวลามาทําจริงๆหลวงพ่อมาสร้างจริงปีห้าห้าเริ่มทําก่อนศาลานี่ก็ไม่มีนะพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียนนี่ก็สร้างพร้อมๆกันเริ่มที่ศาลาก่อนนะปีห้าห้าลวงพ่อกลับมาจากอเมริกาแล้วสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่แพร์แสงเทียนไปสร้างแพร์แสงเทียนปีสามสี่ แล้ว ผ, ผมเองก็ผมต้องเท้าความนิดหนึ่งผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศสาธารณสุขสาตร์มาหาวิทยาลัยรามคำแหงนะปัจจุบันนะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยนะก็ที่รามคำแหงเนี่ยมันจะมีวิทยาเขตสามแห่งวิทยาเขตลำหนึ่งก็คืออยู่ที่หัวหมากกรนะุงเทพลำสองก็อยู่ที่บางนาลำสามก็สุขโขทยัย ที่สุขโขทยก็จะมีสองคณะคณะสาธุรณศึกษากับคณะธุรกิจบริการนันก็จะมีนักศึกษาตอนนี้ที่คณะผมก็จะมี2 0 0รกว่าคนจะพอปริยตัติส่วนปริยัโทรก็เปิดทั่วประเทศสิบกว่าสาขาที่อยู่ต่างจังหวัดก็อีกหลายร้อยคนนั้นผมก็จะไม่ค่อยมีเวลาก็จะวิ่งเดินสายแล้ทำงานหนักนะเดินสายสอน แต่งจังหวัดนะทุกเสาร์อาทิตย์นอาทิตย์นี้บังเอิญว่างนะว่างอยู่อาทิตย์เดียวเนะี่ยหลังจากนี้ไปก็เต็มยาวทุกอาทิตย์เนะี่ยหลายเดือนแลนะ้วะติดต่อกันังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะมาพบกับท่านประนวักกะนะก็ถ้าพูดถึงเรื่องสติเรื่องของการปฏิบัตนะิเนี่ยถ้าเราปฏิบัติใหม่ มันก็จะลําบากมันจะฝืนอันนี้ต้องพูดในในในแนวของว่าผู้ปฏิบัติใหม่เนี่ยบางท่านที่มาบวชเนี่ยถ้าเริ่มใหม่เนี่ยมันจะมันต้องฝืนอย่างหนักนะต้องฝืนมันต้องทนต่อความง่วงความเหนื่อยความเพียความหิวความเซ็งความเบื่อแต่ว่าเราเราต้องทนทวนมันนะต้องทนกระแส โดยเฉพาะคนที่เคยปฏิบัติสมถะหลับตามาด้วยเนะี่ยยิ่งหนักเลยนะอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนนะผมหลับตามานานอนะ่ะปฏิบัติอ่ะพุโทโธมึงสัมมาลาหังมึงทําทุกอย่างอ่ะยุบหน่อพองหน้อมึงไปเดินสายเล่นมาหมดอนะ่ะสมัยก่อนก่อนที่จะมาพบหลวงพ่อนี่ผมไปทั่วเลยนะลงทุนไปบวชนะไปบวชที่วัดประธัด พุทธบาท ต, ตาภผ้าที่ลำพูนหลวงพอ่อหลวงปู่สุพรมครูบาพรมมาผมไปบวชกับท่านปีสองเจ็ดอยู่กับท่านปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยรรนั้นท่านมรณภาพพอดีเราเป็นลูกศิษย์เป็นคนสุดท้ายที่บวชกับท่านนะก็ไปปฏิบัติแต่หลวงพ่อท่านก็สอนทั้ ง, ท, งทั้งพุทธโธนับรูปประคมพุทธโธธรรมโมสังโฆ แล้วก็ให้เก็บอารมณ์เข้าเข้าไขายุบหนอพองหนอด้วยนะนั้นก็ไปฝึกผมบวชสามเดือนเป็นข้าราชการลาบวชสามเดือนเต็มที่เลยนะไม่ไปคุยใครเลยตอนนั้นศรัทธาแรงมากไม่ไปกุฏิใครเลยนะตั้งแต่บวชจนจนสึกอะ่นะทีนี้ที่ที่วัดพุทธบาทตักผ้าเนี่ยหลวงปู่ท่านจะ ท่านจะเน้นท่านบอกว่าพระที่มาบวชเนี่ยอต้องปฏิบัติจริงจริงหมายความว่าต้องต้องอยู่ในศีลนะอยู่ในศีลอยู่ใน อ, อะไรองค์ของปฏิโมกอะ่ะถ้าั้นมันจะเป็นบาปตกนรกพระจะตกนรกเยอะมากท่านพูดอย่างนี้เนี่ยเย้นตอนเย็นเย็นนี่ท่านจะสอนอที่ ท, ที่ที่วัดนี่ทําวัดสามเวลา เช้าเย็นแล้วก็ก่อนนอนท่านจะทำวัดสามเวลาพอตอนกลางคืนก่อนนอนท่านก็จะสอนพอหลวงปู่ท่านเป็นพระวิปัสสนาท่านก็ท่านอยู่ป่ามายี่สิบกว่าปีปฏิบัติมาตุดงยี่สิบกว่าปีกว่าเ น, นี้ยมาอยู่วัดก็อายุห้าสิบกว่าแล้วนั้นท่านก็จะมีข้อวัดของท่านท่านจะละเอียดนั้นท่านก็จะสอนทุกคืนน่ะพระที่มาบวช ต้องปฏิบัติจริงเพราะเราฉันข้าวโยมแล้วเนี่ยมันบาปถ้เาเราปฏิบัติไม่ถึงนะตกนรกท่านพูดนะแล้วก่อนจะสึกเนี่ยท่านจะต้องให้อยู่อยู่กรรมเข้ากรรมอยู่เรียกว่าตะกรรมสิบวันนะให้ปฏิบัติกรรมฐานในะสิบวันล้างก่อนนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวสึกออกไปแล้วไม่เจริญท่านบอกว่า มาหากินไม่ขึ้นว่าทำบาปนี่ต้องระวังไงท่านท่านเน้นมากะผมเนี่ยก่อนเจอผมก็สิบวันสิบื้นนะแล้วผมก็ไปเพิ่มตัวเองเข้าไปอีกไม่นอนเลยนะั้นสิบพื้นนะ่ะนั่งหลับ <c oughs> ไม่ไหวก็หลับนั่งไปห้ามนอนนี่ถือในสัจจิกนะ็จนโอ้โหมันแต่ไม่ไหวแล้วมันแย่นะเดินบินน้าบาทนี่บาทจะหลุดมือนะหลับใน ไม่ได้นอนพักผ่อนไม่พอหมอขอไม่ใกล้ข้างหลังไม่ได้ยินครับก็ไม่ได้นอนพอไม่ได้นอนเนี่ยมันพักผ่อนไม่พอมันไม่ไหวร่างกายเราไม่ไหวแต่อินทรีย์เราไม่พอเราไปทําเข่งเกินขาดความพอดีก็เลยแย่เดินไปก็หลับในบาดจะหลุดมือฝาบาดกระเด็นไม่รู้อะสิบคืนก่อนสิบวันสิบคืนก่อนสึกอ่ะ แล้วต้องต้องปฏิบัติให้คือล้างว่างั้นล้างกรรมว่า ง, งั้นแต่ก็ก็ดีนะเพราะว่าเออมันก็เป็นสมถะแต่ไอ้ความไอ้ไอ้ตัวปัญญามันไม่เกิดมีแต่ความสงบเราไปเน้นไปเพ่งไปจ้องไปบังคับก็ไม่รู้ก็ทำไปโ ด, โดยที่ไม่รู้อะไม่เข้าใจทนะีนี้พอผมก็ไปหลายที่นะสายลง หลวงปูม่มันนี่ก็ไปเยอะหลวงพ่อหลวงปู่แหวนนี่ก็ไปปู่แหวนผมไปกราบท่านสองครั้งโดยไม่ปังท่านยังอยู่เลยนะไปหมดอะ่ะหลวงปู่หลวงปู่เทศเทศีรังสีเนี่ยที่หินมังเป้งนี่ก็ไปไปนอนปฏิบัติกับท่านนะไปหมดอะ่ะก็มันก็พอศึกออกมาเนยะก็มีความรู้สึกว่าไอ้การปฏิบัตินี่มันยาก แล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้ชาตินี้มันคงไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะเพราะงั้นน่ยมันไปไม่ถึงอ่ะคือทํายังไงก็ทําจนหมดเลี้ยวหมดแรงอ่ะมันก็ไม่เห็นอะไรมันมันไม่เกิดอะไระก็เลยปล่อยหลังจากสึกมาแล้วก็ปล่อยคือจะไม่ปฏิบัติแล้วเพราะงั้นนะอยู่ไปอย่างนี้แหละจนช่วงหลังมานี่มีคนมาชวนมาวัดแพทยธรรมร า, ามหลวงพ่อ ก, กัญหาเนะี่ย ตอนนั้นผมอยู่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีอาจารย์ที่โรงเรียนประจําจังหวัดชวนมาก็เลยมามาดูพอดีท่านยืมไอ้วงขอบบ่อเนะี่ยจะมาสร้างถังเก็บน้ําฝนที่วัดแพรธรรมร า, ามแล้เขาเริ่มเริ่มสร้างเหมือนทมืนที่นี่แหละก็เลยมาช่วยท่านดูเรื่องสร้างเรื่องถังเก็บน้ําฝนเหมือนกันที่ผมไปทําที่แพรแตงเทียนปีนั้นนะ ก็อยู่ที่นั่นได้ประมาณปีกว่ากว่าเกือบสองปีนะก็มีเพื่อนที่แพรเนี่ยบอกว่าแกปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนไปเล่าให้ฟังแล้วแกก็ไปยกมือให้ผมดูผมก็ เ, เอ๊ะแปลกดีก็เลยเขาก็ถามว่าจะไปลองไหมมันหลวงพ่อมาหาจะมาแพรแสงเทียนวันที่สิบสี่มีนาสองพร้อยสามสิบหกตอนนั้นกนะ็ ถ้าอยากสนใจก็ให้ไปผมก็เลยนั่นแหละก็นัดไปผมก็ไปก็ไปพบหลวงพ่อมหาปีปีสามหกนะวันที่สิบสี่มีนาเนี่ยก็ไปถึงก็ไปบอกหลวงพ่อว่าจะมาปฏิบัติแล้ะจะขอเก็บอารมณ์เพราะั้นเพราเพื่อนที่ไปเขาไปเก็บอารมณ์ผมผมก็ไม่รู้ว่าเก็บอารมณ์คืออะไรก็เก็บก็เก็บตามเขาแ่ะเพราเพื่อนเก็บอารมณ์ผมก็ไปเก็บอารมณ์ ก็ตั้งแต่วันนั้นก็เริ่มเริ่มปฏิบัติก็ยกมืออย่างนี้แหะแต่พอเจ็ดวันเนี่ยมันมันมันเห็นชัดนะรู้ว่ามันมันสติสมาธิมันมานะมันประเมินตัวเองได้นะก็เลยว่าเอวิธีนี้เขาท่านะมันมันมันทําให้ใจเราเหมือนมั่นคงอ่ะมันมีสติมีสมาธิ ขนาดเจ็ดวันนี้เร็วนะเมื่อก่อนเราปฏิบัติมาสามเดือนยังเมาไปเ ม, มามายังไม่รู้เรื่องอนะ่ะครึ่งหลับครึ่งตื่นเพราะเมื่อก่อนเราไปนั่งหลับตาเราก็หลับแบบคือคืออินทรีย์เรามานอ่นอ่อนนะคนอื่นเขาอาจจะทําไดนะ้แต่เราทําทําแล้วมันไม่ไหวอนะพอหลับตาเมื่อไหร่มันฝันไม่ถึงห้านาทีกะเพิ่มไปฝันไม่รู้เรื่องรู้ราวอนะ่นะะนั้นพอมายกมือเนี่ยเขาให้ลืมตา ลืมตาไปตามแล้วก็กำหนดรู้กับการเคลื่อนไหวเอออย่างนี้เข้าท่าหน่อยไปได้นะแล้วก็ทำแล้วรู้สึกว่ามันมันได้ผลอนะ่ะประเมินตัวเองดูแล้วว่ามันใช้ได้นะแต่ก็ยังฝืนใจรับนะตอนแรกๆอะ่ะมันมันคือมันยกมืองเงี้ยมันดูยังไงมันไม่เรียบร้อยอะ่ะคือเราเป็นคนแบบไปติดไอ้นั่งสมาธิอะ่ะหลับตา นั่งสงบนิ่งเงียบเนี่พอมายกมือเนี้ยมันเหมือนดูแบบเก่งกงังมันไม่ค่อยเรียบร้อยเราฝืนใจอย่างหนักเหมือนกันนะตอนแรกอ่ัแต่พอทําไปแล้วมันได้ผลก็เลยเอยใช้ได้ในวิธีนี้ก็เลยมาสาวธิตดาก็มาที่แพทย์แสงเทียนตอนนั้นหลวงพ่อทําสร้างที่แพทย์แสงเทียนใหม่ๆยังไม่มีกุฏิไม่มีอะไรมีกุฏิยาคาอยู่ไม่กี่หลังนะก็เลยมาเริ่มช่วยหลวงพ่อด้วย ทางแพร่แสงเทียนเทปูนเทอะไรทางเดินข้างพังในไปเอาต้นไม้มาปลูกกันทีละร้อยต้นบางสองรอยต้นเมื่อก่อนผมมีรถปิ๊กอัพมึงก็เอาไปใส่ไปขนต้นไม้มาปลูกกันจนทุกวันนี้เป็นต้นใหญ่หมดแล้วนะใ ค, ใครไปแพร่แสงเทียนก็จะเห็นนะนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วนจากวันนั้นถึงวันนีนะนะ้นั้นผมก็ปฏิบัติ การเจเริญสติมานี่ก็ยี่สิบกว่าปีถามว่ายี่สิบกว่าปีนี่เป็นยังไงบ้างก็ถ้าจะประเมินตัวเองก็คือมันอยู่ในโลกนี้ได้แบบไม่ทุกข์มากนักอ่ะมันยังมีทุกข์อยู่แหละแต่ว่ามันมันสบายกว่าสบายกว่าเมื่อก่อนมันดีขึ้นในเรื่องหน้าที่การงานเวลาเราทํางานเนี่ยเรามีสติ ไม่ต้องไปพูดว่ามีสติแล้วมันจะเป็นไงละความละอายละความละอายนี่ฮิลิโอตะปะความละอายต่อบาปหรืออละอายมันลายหลายอย่างบางทีเราทําหน้าที่เนี่ยแต่มันก็มีระดับของมันนะเราทําหน้าที่เนี่ยบางทีเราทําหน้าที่ไม่ดีเราก็ละอายใช่ไหมเราเป็นอาจารย์เป็นครูบางทีสอนเด็กไปมันสอนไม่เต็มที่เตรียมตัวไม่ดีไอ้นี่นี่ก็เราก็ละอายคือนั่นแหละ สตินะการมีสติพราเราก็พยายามจะทําหน้าที่ของเราให้ดีในฐานะที่เราเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนนี่ยสอนลูกศิษย์เนี่ยงทีเรามันนึกด้วยเราเพราะบางทีพารล่างงานเยอะเตรียมตัวไม่ดีไปสอนแต่ละที่นี่ไม่พร้อมเนี่ยบิงทีเราก็ละอายว่าเอ้ยว่าเป็นอาจารย์ไปถ่ายทอดความรู้ให้เขาไม่ดีเพราะเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยมันก็มีความละอายเหมือนกัน นี่คือคือตัวสตวิมันทำให้เราเกิดความระลึกเตือนตัวเองเตือนตัวเองรวมถึงเรื่องของการทำงานนะเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วพอทำไม่ได้อย่างใจแล้วเนี่ยเมื่อก่อนแล้วมันทุกข์ไงผมเป็นไม่ได้แล้วมันเครียดมันต้องให้ได้ดั่งใจอะพอไม่ได้มันก็ผิดหวังเสียใจหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะเมือ่อก่อนมันเป็นอะ เดี๋ยวนี้มันดีขึ้นไม่ค่อยเป็นนะ่มันทำใจได้มันวางใจได้อันนี้คือผลของมันนะเท่าที่สังเกตตัวเองนะแล้วผมไม่รับผิดชอบงานเยอะมากนะช่วงเนี้ยมาอยู่ลาแห่งสามปีนี่วิ่งทั่วประเทศเลยนะไปไหนกลับมาบ้านก็หอบงานมาบ้านไปที่ทำงานก็หอบงานติดรถเต็มรถเอกสารนะเป็นงานอ่านงาน อ่านงานวิจัยนักศึกษาปตปรีปโทตรวจงานวิชาวิชาแต่และ ว, วิชาที่เราสอนตรวจรายงานตรวจอะไรมันอ่านตลอดอ่ะนั้นจะรับผิดชอบงานเยอะแล้วถ้าเราไปติดอารมณ์เป็นคนที่วางอะไรไม่ได้เนี่ถ้าจะเป็นโรคประสาทไปแล้วอ่ะผมไปดูอาจารย์หลายคนที่อยู่กับผมนี่หน้าตาดูกันไม่ได้อ่ะนะ แล้วบางคนก็เป็นมะเร็งตายไปก่อนแล้วเครียดอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นมะเร็งตายอาจารย์ผมในมหิดลเนี่ยตายกันปีละคนสองคนสามคนคณะสาธุกันะนะนมั น, ม, นมันเครียดเครียดแล้วเซลล์มะเร็งมันขึ้นเพราะในปกติของคนทั่วไปเนี่ยยอย่างเราทุกคนที่นั่งอยู่เนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่แล้วนะมีเซลล์มะเร็งทุกคนนะเนี่ย เมื่อใดก็ตามที่เซลมะเร็งมันขึ้นไปพันล้านเซลเนี่ยเราจะถูกตรวจพบว่าเราเป็นมะเร็งจะถูกวินิจฉัยหมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแต่เซลล์มะเร็งเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี่มีหมดทุกคนเนะี่ยนั้นเซลมะเร็งเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะถูกกระตุ้นโดยอาหารใช่ไหมโดยอาหารโดยความเครียดความเครียดเนี่ยสคัญ เวลาเราเครียดแต่ละครั้งนี่ไม่รู้ว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่นะดังนั้นถ้าเราขาดสติเนี่ยอย่างคนเป็นความดันเนี่ยเป็นโรคความดันอ่ะส่วนใหญ่อะ่ะมันวางอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าความดันนี้มันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทไงไซโคอะไซโคโลจีอะระบบความคิดระบบประสาทมึงที่ลืมตัวส่วนใหญ่ เหมือนเราโกรธเนี่ยมันวืดเดียวแค่นั้นเนี่ยมันพุ่งจุดเลยไหมหัวใจเต้นปุบปุ๊๊เวลาเราโกรธสังเกตไหยความดันมันขึ้นนั้นเราเราวางจิตไม่ถูกเนี่ยคือไปเขาเลย อ, อะไรไปอินในอารมณ์อเหมือนเราดูมวยอ่ะเราเข้าไปเชียร์อินอินฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอย่างเงี้ยพอโดนโชกไปไง ใจเต้นทุบๆๆใช่ไหมมันเป็นลุ้นอะเป็นลุ้นอะที่หัวใจวายตายเพราะนั้นะพลมเป็นลุ้นเนี่ยเขาเราียกว่าเอาอารมณ์เข้าไปใส่มันก็อินในนึกเรื่องในเราเพราะนั้นเราขาดสติเมื่อเราขาดสติเนี่ยเราไปสุดตัวเลยสุดตัวละก็จะเป็นอันตรายกับเราเพราะนั้นในในการเจริญสติเนี่ยมันจะช่วยมันจะช่วยชะลอ้เรื่องพวกนี้ยให้มันเบาลงอย่างน้อยก็ลด ลดแรงกระแทกทำให้เราบาดเจ็บน้อยลงอ่ะมันเจ็บน้อยอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าระดับสติเรามันมากแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนเพราะมันมีหลายระดับคนที่ปฏิบัติไม่เท่ากันนะระดับของสติอยู่ที่ว่าเรามาฝึกมามากแค่ไหนมีความชำนาญแค่ไหนมีความมั่นคงแค่ไหนมันก็ เป็นไปตามลำดับของพลังกําลังของสติสติและปัญญาดับแรกคือตัวสติก่อนนั้นดังนั้นในในโลกปัจจุบันเนี่ยโลาขาดตัวสตินี่เยอะนั้นคนถึงเครียดง่ายไงนั่นคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเยอะเพราะอะไรขาดสตินี่แหละบางทีเราเราสังเกตดูอยู่ในชีวิตประจําวันบางทีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยมันจืดขึ้นเลย ใช่ไหมใครมาพูดไม่ถูกหูหน่อยมันก็มันก็พุ่งจุดพุ่งจุดอ่ะแต่ถ้าเราฝึกสติ ه, มันจะชะลอได้ á. ตามกำลังสติของเราอ่ะมันช่วยได้เยอะนะถึงแม้ว่ามันจะไม่พ้นทุกไปไม่หลุดพ้นไปเลยแต่มันก็ยังอยู่ได้อ่ะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยังไม่ทุกมากนัก á. ไม่ทรมานมากนักอ่ะ นั้นในเรื่องของการวางจิตเนี่ยสำคัญเหมือนเวลาท่านมาฝึกเนี่ยท่านมาใหม่ปฏิบัติใหม่ไม่เคยนะบางคนอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ครบแล้วเนี่ยห้าหกวันเนี่ยอาจจะเตลิดออกไปก่อนแล้วเพราะมันถูกความคิดโจมตีไงนั้นถ้าเราเดินจงกลมแล้วเราเราเราวางก็เลยเลยแนวคิดหรือคอนเซปต์วิธีคิดเราสำคัญนะ ไอเราไปเคยคิดแต่ ว, ว่าจะให้มันสงบอ่ะไปบังคับมันอนะ่ะพอมันไม่สงบเลยเอาไม่อยู่มันโดดเนะ่เราเราอย่าไปตั้งแบบนั้นนะถ้าเราไปตั้งแบบนั้นนะผิดผิดตั้งแต่ต้นแล้วถ้าเราจะไปตั้งว่าออมานี้ต้องเดินดงกลมแล้วมันต้องสงบยกมือแล้วมันต้องสงบนั่นไม่ใช่นะสงบไม่สงบช่างมันนะมันไม่สงบก็รู้ไม่สงบไม่ต้องไปบังคับมัน งบก็รู้ว่าสงบอะต้องอย่างนั้นนะแต่ถ้าท่านไปตั้งว่ายกมือเดินนย่งกลมแล้วเออเล่นมาครึ่งวันวันไม่เห็นสงบเลยแล้วรับรองอะ่ะเดี๋ยวอยู่ไม่ได้อะ่ะนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วดังนั้นการวางจิตสําคัญนะความเข้าใจอะไรสำคัญนะถ้าเราไปตั้งคิดนี่ไม่ได้เลยเมื่อเมื่อก่อนผมเคยมาปฏิบนะัติ กะว่าสิบวันนี้จะเอาให้มันสงบนิ่งเลยนะลางานมาอย่างดีเลยเนะี่ยลางานมาไปแพร่แสงเทียนสมัยนั้นนะกะว่าสิบวันนี้จะต้องเอาให้มันนิ่งก็กลับไปทำงานจะได้สบา ย, ยนะพอตั้งพอตั้งความหวังใบงนี้เท่านั้นแหละโอ้โหสิบวันนั้นไม่ได้แลนะ้วเครียดได้แต่ความเครียด พอเราไปยึดไปยึดไปถือไปตั้งไปไปยึดมั่นถือมั่นไปแล้วมันผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะพอเวลาจะไปปฏิบัติธรรมเมื่อกเมื่อก่อนอะไปตั้งอย่างนี้ทุกทีอะพอไปตั้งอย่างนี้ก็เหมือนเดิมอะบางทีไปสงบอยู่สองสาวันกลับมาฟุ้งเหมือนเดิมนะนี่มันต้องเล่นกันอยู่อย่างนั้น่ะ ตอนหลังมาโอ้มันไม่ใช่ดีว่ะมึงเข้าใจผิดนะพอไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่วัดอะไรแต่นี้ไม่ต้องไปกำหนดอะไรไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรเลยอะ่ะพยายามเตือนตัวเองให้ระลึกระลึกรู้ทำอะไรก็รู้สอนหนังสือก็รู้เดินอยู่มหาวิเลยก็รู้ไปตลาดก็รู้ สู่อย่างนี้ดีกว่านะไม่ต้องไปตั้งอะไรเลยนะอ่ะมันสบายนะตอนนี้ไม่เครียดมาวัดก็ไม่เครียดอยู่บ้านก็มีเครียดมันดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยพอตอนหลังมาก็จับหลักได้เออมันอย่างนี้ดีกว่าอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้จะอยู่มหาวิลัยก็ได้ไม่ต้องลางานก็ได้ทำมันอยู่ยงั้นรู้เมื่อไหร่ก็หลงไปก็ช่างมันรู้เมื่อไหร่ก็กาหนด แต่ความรู้สึกเข้าไปใหม่แล้วไม่ต้องไปตั้งความหวังอะไรเลยไม่ต้องไปมีหวังอะไรเลยทําหน้าที่ไปสอนหนังสือไปทํางานไปมีหน้าที่ทําก็ทําไปโอ้อย่างงี้มันสบายอะ่ะ ม, มีความสุขสบายเบาไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์มากมันอาจจะมีบ้างไอ้ถ้าเรื่องที่ร้ายแรงรุนแรงมากระทบอะ่ะมันก็กจะดุกบั่งนะมันก็ธรรมดา อยู่ที่ระดับสติของเรางั้นตอนหลังมาเลยเราเราเข้าใจตรงนี้เออมันดีขึ้นเยอะเมืม่อก่อนมันโอ้มันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งทุกข์ว้ยิ่งเครียดอ <Ờ S 1> มานะวัดที่ไหนก็เครียดนี่ขอรบแรกไว้สักแค่นี้ก่อนนะครับครับขแรกรบละสิบห้านาทีครับออก็นั่นหมอได้นำเอาประสบการณ์แต่ยังไม่ได้ลงถึงเรื่องฮีริโอตาปะเนี่ยความหมายของใช้สติสัพยัญญานะครับ ทีนี้ในาการประกอบการใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยซึ่งคุณหมอธวัลก็ดีคุณเจร่าพรก็ดีคุณราชันก็ดีอยู่ต่างจังหวัดหมดอะแต่คุณวิชัยอยู่ในกรุงเทพคนเดียวซึ่งการเจริญสติในกรุงเทพเนี่ยคงจะมีอะไรที่ค่อนจะยุ่งยากกว่าหรือยากกว่าในต่างจังหวัดไหมวิชัยั้งแต่ปฏิบัติมา แล้วก็เกิดไอ้นำเอาสติสัมญาญี่ไปใช้ในแง่ทีดีโอตปาได้อย่างไรบ้างทําสบการณ์ครับขอกลับนับน้อมน้ำมการพระรัตนไตยขอกลับรอบน้อมรัศการหลวงพ่อมหาดิเรกแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับแล้วขอกลับน้ำมศการพระวิสุวรรณว่ากันะครับผมดีใจผมบองตรงเลยว่าผมเองเนี่ยผมอยากบวชคอสนี้แต่ว่าผมไม่ใช่คนที่นี่ก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้บวชแต่แล้วก็ถือว่า ที่มาปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการตอบสนองพระเดชพระคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะผมเป็นข้าราชการบำนาญ น, น, น, นะครับเกษียณมาสามปีตอนนี้ผมจะพูดถึงว่าการดำเนินชีวิตในในเมืองกรุงซึ่งมันค่อนข้างยุ่งยากสับสนแล้วก็คนส่วนใหญ่ขาดสติสมบัญชัญญาตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นคนเรียนตรงๆว่าเป็นคนโกรธง่าย คือเป็นคนที่พูดง่ายๆว่ามีมีมีมมโทสะนะครับเหมือนกับอาจจะมีหลวงพี่บางรูปเนี่ยอาจจะจะคล้ายๆผมมีจลิตในทางที่มีโทสะเพราะฉะนั้นการการผัด ส, สะใช้ชีวิตในในเมืองที่คนเยอะๆเนี่ยย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี้สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมขอแชร์ประสบการณ์ว่าอย่า ง, ย, างย่างอย่างเรื่องการขับรถหรือว่าการกระทบกระทั่งกันใน ในในในทุกๆสถานที่ที่ไปเนี่ยผมจะมีการกระทบที่ค่อนข้างลุงแรงมากอันนี้นี่ผมผมยอมรับผมไม่เคยไม่เคยแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ให้ที่ไหนฟังนะครับเรียนตรงๆว่าขณะขับรถไปเนี่ยในรถผมมีปืนท้ายรถผมมีไม้เบสบอลที่เป็นเหล็กนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรในระหว่างที่เราใช้ชีวิตยอยู่ พูดง่ายๆก็ด้วยความไม่ประมาทนะครับแต่ว่ า, อาพอมั น, ม, นมันมามันมาเจริญสติแล้วเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนไปทีนี้ผมจะเล่าถึงว่าเวลาที่เรามีความโกรธเพราะอกิเลสสตัวนี้โลดกบหลงเนี่ยมันเกิดมาตั้งนมตั้งนานแล้วอย่างสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็ก็สองพันกว่าปีกิเลสมัน ก, ก็อีตัวนี้แหละครับ ทีนี้ประเด็นปัญหาสําหรับผมเนี่ยผมไม่คนโกรธง่ายเนี่ยมันมันมันเริ่มออกมาจากที่ว่าส่วนมากมันจะเป็นเรื่องที่สมมุตินะครับเป็นเรื่องที่ว่าตากระทบสิ่งที่มันขัดใจตาไปกระทบรูปสิ่งที่มันตัดใจอาจจะเป็นเรื่องการขับรถหรืออะไรก็ตามพอมันมันมีการที่ว่าไม่พอใจกันเกิดขึ้นมามันก็ปรุงเป็นเป็นความคิดขึ้นมาก่อนพอปรุงเป็นความคิดขึ้นมามันก็ปรุงเป็นมันกลายเป็นเวทนาคือตัว ตัวทุกเวทนาขึ้นมาเพราะทุกเวทนาเกิดเวทนาขึ้นมาสัญญาขึ้นมามันก็จะกาะเป็นสังขารประกอบเป็นสังขารมันก็เกิดความยึดมั่นเป็นตัวตนขึ้นมามันก็มีเหตุบรรดาที่ว่าขับตามไปดูว่าคนขับคนนี้เป็นใครเขาจะรีบไปไหนอะไรยังไงแค่บิดขับปาดกันไปปาดกันมาอยู่ลักษณะอย่างนี้เป็นประจำท่นี้พอผมมาเจริญสติเนี่ยพอเริ่มเจริญสติมาเนี่ยปฏิบัติมาอยู่ประมาณสัก สองปีสองปีกว่าสามปีมันก็เกิดปัสสาวะในลักษณะแบบเนี้ขึ้นมาตัวเองพอจเจริญสติขึ้นมาเนี่ยสติมันเข้ามารับรู้เรากลับมาทวนดูตัวเองเนี่ยจะเห็นนะครับความโกรธมันเกิดขึ้นกลางอกนะครับมันวิ่งขึ้นมาจากกลางอกนะครับแล้วมันขึ้นมาอยู่แค่นแเนี้ยพอเรามีสติพับเนี่ยมันผูกลงไปนะครับท่ น, นี้พอเราจเจริญสติเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีมีครั้งหนึ่งผมแชร์ผมนั่งรถแท็กซี่นะครับเขาพูดแล้วเนี่ยคาพูดของเขาเนี่ย ทำให้เราไม่ชอบใจแต่นี้เราก็จะเห็นเลยว่าแทนที่มันจะเลื่อนผุดเนี่ยมันไม่เลื่อนแล้วครับมันไหวครับจิบๆๆพอเรารู้ตัวปับ๊บมันหยุดลงไปครับแต่ความโกรธเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความโกรธมันก็ยังมีอยู่ยังยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ได้เอาความโกรธทุกครั้งที่โกรธปับ๊บเราย้อนกลับเข้ามาดูตัวเราเองแต่นี้พอย้อนกลับเข้ามาดูตัวเองจะเปรียบเทียบกันว่าเมื่อจะเริ่มสติสมัมปชัญญะแล้วเนี่ยมันจะมีชิ่รี่โอตปะยังไงคือมันเป็นตัวการส่งเสริม ที่ให้เราเนี่ยจัดา ก, การที่เราอาจจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ในตัวฮิลิโอตปะความเกละอายเกงกลัวตวบะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากใจ ท, ที่มันมีความโกรธอยู่เนี่ยมันไม่ผุดออกมาทางวาจาหรือทางกายเหมือนที่หลวงพ่อกสินได้ได้ได้เทศเ ม, เมเื่อเช้านี่ไหมครับเรื่องศีลก็คือเกิ ด, เ, กด เ, รเรื่องการกระทบทางกายวาจาแต่กิเลส ท, ทั้งหมดเกิดเนี่ยมันเกิดจากจักใจเป็นตัวหลังครับ ละกิเลสมันจะดับได้ก็ดับแต่ตรงใจนี่แหละครับเพราะว่าเวลาบางทีพวกเรานี่ไม่ไม่ไม่เคยดูตัวเองเนี่ยเวลาเราโกรธยังไงเนี่ยผมเองเนี่ยทีแรกผมว่าไม่เข้าใจคาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางบางบางรูปเนี่ยท่านพูดเลยเราเห็นนางมาหลายในตัวเราเองมันเริ่มจักใจขึ้นมาออกทางวาจาออกทางกายเหมือนที่ท่านดรท่านพูดนะครับหน้ามันจะแดงเลือดมันจะฉีดอาการมันจะหนักขึ้นมาที่หน้าไม่เชื่อถ้ า, ถ, าถ้าท่านประสบอันนี้แล้วลองดู ถ้ามีมีสติพอพอหน่อยลองดูปฏิกิยาในร่างกายของเราว่าปฏิกิยาของความโกรธเนี่ยมันเกิดมันจะจกัจกจับเล็กขึ้นมามันจะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, นจนออกมาทางวาจาแล้วออกทางกายในที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องเล่าแค่นี้เพื่อเพราะเห็นว่าหลวงพี่บางองค์ก็เริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มเบื่อกันแล้วก็เลยเล ย, เลยแชร์เรื่องเรื่องเนี้ยที่ว่าคิดว่าพอพอจะเป็นประโยชน์ให้นะครับก็มีอีกหลายเรื่องความความเลวของตัวเองแต่ว่า พอดีว่าเดี๋ยวให้ท่านที่มีประสบการณ์ท่านอื่นเล่าให้ฟังบ้างอนะครับวิชัยเนะีเออเป็นเป็นอารมณ์ที่พวกเรามีทุกคนเกี่ยวกับเรื่องพอถูกกระทบเราขึ้นเนี่ยนะแต่คุณวิชัยมีตัวอย่างสักตัวอย่างสักชัดไหมที่ว่ามันเกิดอยากจะทำํำทุกอย่างแล้วมันเกิดเออเกิดสติขึ้นมาแล้วมันมันเปลี่ยน คือทําในลักษณะที่เป็นอกุศลเนี่ยนะครับผม ม, มีมีตัวอย่างเชตัวอย่างชัดๆหมายควาว่าตอนนั้นยังไม่ได้เจริญสติที่<ช>เจริญสติมาแล้วเนี่ยเจริญสติมาแล้วตอนนี้ในปัจจุบันที่ผมผมผมกับเรียนนวัตการหลงหลวงพี่นวกาทั้งหมนี่นะครับตอนนี้พอเวลาโกรธเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยในในปัจจุบันภาวะที่ปัจจุบันเนี่ยมันกระทบกระทบจริงแล้วก็รู้ว่าตัวเองโกรธแต่มันยังมีแถมๆอยู่นะครับ ขับรถไปดูว่าคนที่ขับที่ทําให้เราโกรธเนี่ยผู้ชายหรือผู้หญิงพอเราขับไปแล้วปับ๊บพอเห็นผู้หญิง ม, มันก็หยุดไปโดยปริยายครับหลวงพ่อแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราก็ไปคิดคิดในมุมมองดีเออเขาคงจะรีบไปหรือถ้าพูดอะไรไม่ได้ก็ตาทา่ามันเป็นอย่างนั้นเองมันจะได้หยุดไปเลยหมดเรื่องมันไม่ต้องไม่ต้องไปแต่ว่าแบบนี้ถ้ามันมันไม่กระทบแรงจริงๆผมไม่นั่นนะครับผมจะปล่อยผ่านเฉยไปไปอะครับเต็มที่ก็จะเหลือ การบ่นกับตัวเองหรือบ่นกับแม่บ้านที่นั่งข้างๆหรือคนที่นั่งข้างๆบางทีก็ได้ลูกสาวบอกเย็นไว้พ่อลูกสาวก็จะพูดอย่างนี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่มีระเบิดออกมาทางทางกายวาจาเหมือนที่หลวงพ่อเกษมท่านพูดอย่างคับเป็นแต่เพียงว่าเรารู้พอมันเกิดโกรธปั๊บเรากลับมาดูใจโกรธปั๊บกลับมาดูใจแล้วมันก็จะเกิดยิลิโอตาปะเองว่าเราจะสมควรท่านไหนอะไรยังไงครับ นะว่าไ ฟ, มามไฟโมหะมีทุกไฟโหราศมีทุกคนมันขึ้นระดับไหนพอกระทบกับความเย็นของสิทธิธรรมยับก็ลงนะใช่ครับแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นระเบิดนะครับสําหรับคุณราชันเองเนี่ยเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีคงจะเรื่องของการฝึกสติสัมยาชนี่คงจะง่ายเนะีเพราะว่าเป็นคนละเอียดอ่อนความละเอียดอ่อนรสศดิสัมยามันก็สอดคล้องกันคงจะทําได้ง่ายใช่ไหมคุณราชัน ในแง่ของนักดนตรีลศิลปินใ น, ใ น, ใ, นในการฝึกสติสัมยาแบบนี้จะมีความยากความง่ายแค่ไหนอฟโฟนครับกับน้อมสกัลละพระเดชประคุณทุกท่านนะครับทั้งพรนว ก, กะและก็พระเทรานุเทระทุกท่านนะครับ เ, เราคือได้ได้รับโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของสตินะครับ ส, สติสัมปชัญญะแล้วก็ เรื่องเกี่ยวกับฮิรีกับโอตา ป, ปะว่ามันมาเกี่ยวข้องได้ยังไงผมผมก็ในแง่ลักษณะของผู้สังเกตคนหนึ่งนะครับแล้วก็นักนักปฏิบัตินักเดินทางเหมือนกันการการที่มีความละอายในความละอายต่อบาปใช่ไหมครับที่เราเราเข้าใจคําว่าฮิรีกับคำว่าเกรงกลัวต่อบาปนะครับแรกเริ่มเดิมทีก่อน ก่อนนี้ผมก็เคยได้ยินคํานี้มานานแล้วนะครับตอนเราเป็นสมัยเป็นนักเรียนก็เคยคุณครูสอนในวิชาศิลธรรมวิชาจริยศาสตร์เราก็ได้เรียนคํานี้มาผมเข้าใจว่าเป็นการละอายต่อสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาละอายด้วยเหตุและผลนะครับเพามันเราไม่ควรจะทําอย่างนี้เลยเราเป็นลูกผู้ชายเราไม่ควรจะปล่อยให้ผู้หญิงยกของอะไรเงี้ยเป็นความอายหรือว่าเป็นความเกรงกลัวต่อบาป ลักษณะเกรงกลัวต่อกฎหมายถ้าทําไปแล้วมันจะผิดกฎหมายกฎหมายจะจับหรือตํารวจจะมาปรับโทษเราได้ขับรถเร็วเกินไปผิดกฎหมายก็จะถูกปรับเรากลัวจะถูกปรับผมเข้าใจว่าเป็นสิ่งนี้นะครับแต่ว่าภายหลังพอมามาม า, มามีโอกาสได้ปฏิบรรัติธรรมศึกษาธรรมะจริงๆผมรู้สึกว่าคาว่าฮิริกับโอตาปานี่มันมันละเอียดลึกซึ้งกว่ากว่ากว่าที่เราเคยรู้จั ก, จกนั้นเยอะเลยนะครับการละอายนี่คือ มันละอายเหมือนกับแววตาของของผู้เมียมหน้าสักคนหนึ่งแล้วเขาเขามองมองมาที่เราหรือว่าคุณครูมองเราด้วยด้วยความรู้สึกดุโดยไม่ต้องพูดอะไรมันก็รู้สึกกลัวไปเองอย่างเงี้ยมันมันมันอายในแววตาในความรู้สึกหรือว่าเด็กน้อยที่มองเห็นแววตาของคุณแม่ที่คอยแอบชำเลืองอยู่ตลอดเวลาจะรู้สึกจะทําผิดก็ไม่กล้าโดยที่แม่ไม่ต้องด่าไม่ต้องบ้าอะไรเลยก็ได้นะครับมันมันเป็น มันคล้ายๆอย่างนั้นมากกว่านะครับว่าฮิลิโอตปะคราวนี้มันมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ไงนะครับถ้าถ้าเราเราไม่ไม่ไม่ฝึกฝนผมเชื่อว่าในในธรรมชาติของมนุษย์หรือของสัตว์โลกทั่วไปไม่ไม่มีสิ่งนี้อยู่เลครับไม่มีฮิลิโอตปะอยู่เป็นสิ่งที่ที่มนุษย์ผู้ประเสริฐสัตว์ผู้ประเสริฐแล้วหรือว่าิได้รับการฝึกฝนแล้วถึงจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้นะครับสิ่งนี้เรียกว่าสติกับสัมปชัญญะนั่นเองนะครับ สติที่ที่พูดถึงนี่มันมันมันละเอียดไปมากกว่าสติในลักษณะของสัญชาตญาณพูดถึงสัตว์ทั่วไปมันก็มีสติใช่ไหมครับนกมันบินมามันรู้ว่ามันมีอันตรายข้างหน้ามันก็หลบไปสุนัขมันรู้ว่าคนคนนี้ไม่เป็นมิตรมันก็หลีกหนีไปหลบไปหรือว่าเสืออะไรเงี้ยเห็นสตูมันก็หลบด้วยด้วยสติของมันอันนี้สติแบบลักษณะของของสัญชาตญาณแต่สติในลักษณะของการฝึกมาแล้วคือกัน คือการฝึกฝนฮ ะ, ะในในวิธีปฏิบัติของของพระพุทธองค์นะฮะที่ที่พ่อสอนไว้บอกว่าเออมนุษย์ที่ประสประเสริฐแล้วนั่นแหละถึงจะถึงจะเป็นที่พึ่งถึงจะเป็นที่พึ่งของทุกคนได้อะไรเงี้ยนะครับไอ้ <c oughs> คาว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยนะครับแต่ว่าความจริงมันต่อไปมากกว่านี้นะครับมันในบาลีไม่ได้พูดถึงแค่นี้บอกว่ามนุษย์ที่ฝึกตนแล้วถึงจะถือว่าถึงจะเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับ แต่เราเราอยู่ในในโลกเนี่ยเราไม่เคยฝึกเราไม่เคยฝึกสติตัวนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยสตินี่คือตัวตัวเฝ้ามองนั่นเองตัวคอยจับตามองอยู่ให้เรารู้สึกละอายรู้สึกเกรงกลัวต่อมันสิ่งนี้นะที่ที่หลวงพ่อเทียนหรือพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายพยายามศึกษาฝึกฝึกแล้วก็พยายามพัฒสอนให้เรามาฝึกตัว น, นี้นะครับผมผมี่ยกตัวอย่างนิดนึงคนระับคือคือไม่ใช่ผมยกตัวอย่างหลว ง, งพ่อเทียนนั้นยกตัวอย่างเองนะครับบอกว่า สติเนี่ยมันเหมือนกับแมวแมวตัวเล็กๆนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องไปสอนแมวให้มันจับหนูเลยถ้าเปรียบหนูเป็นความคิดแมวก็เหมือนสติแมวเนี่ยแค่เราขุนให้มันตัวโตวขึ้นให้อาหารบ่อยๆแล้วพอแมวมันโตขึ้นหนูเห็นปุ๊บมันหนีไปเองแมวมันตะคุบเอง <c oughs> แต่เราไม่ต้องไปสอนให้แมวมันจับหนูอะ่ะเข้าใจไหมฮะไม่ต้องไปจับความคิดหรือไล่ความทุกข์ แค่ว่าให้อาหารมันเรื่อยๆแค่นั้นเองอาหารที่หลว ง, งพ่อเทียนนิยมให้ บ, บ, บ, บอกว่าก็คือก า, การสร้างจังหวะเนี้ยหรือคุณไปเดินจงกรมก็ได้นเนี่ยเป็นทั้งอาหารเสริมแล้วก็บีตมินอย่างดีเลยทํามันตลอดเวลาแล้วก็พอสติมันโตขึ้นโตขึ้ น, น, นมันทํางานของมัเองน ะ, ะฮิลลี่หรือโอตาปะความละอายในตัวเองมันก็ ม, นกมันก็ทำงานขอมันเองเราวมันต้องไปใช้เหตุและผลมาอธิบายว่าสิ่งนี้ดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีแหละ มันเกิดความละอายความรู้สึกเองแต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ผมผมก็ทําตามที่หลวงพ่อเขาแนะนำนะฮะาหลวงพ่อท่านแนะนําบอกให้ให้ยกมืออย่างนีน้แล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวเฉยๆอยู่กับตอนแรกเราก็จะถามตัวเองว่าทำไปแล้วได้อะไรขึ้นมามีอะไรใช่ไหมครับแต่แต่ให้รู้ว่า น, นี่เราเรากำลังให้อาหารแมวอยู่ให้อาหารลูกแมวให้ลูกแมวมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอมันโตขึ้นมันจับหนูมันเองนะครับมันเข้าฮิลีกับโอตาปะมันทำงานของมันเอง มันรู้สึกมันรู้สึกละอายเองจะจะสูบบุหรี่ก็อายละจะลืมเล่าไม่มีใครเห็นมันก็รู้สึกอายเพราะตัวเองเห็นเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะทำอะไรที่ไม่ดีก็รู้สึกละอายรู้สึกไม่ไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันถูกมันผิดศีลหรือเปล่ามันมันถูกหรือเปล่าหรือผิดหรือเปล่าหนูมันวิ่งหนีเองนะครับเพราะนั้นมันมันเกี่ยวข้องมาเสมอครับขั้นแรกเลยที่ที่บอกว่าจะมีเวลากับพระใหม่อยู่ ห้าถึงหวันแค่นั้นเองผมยังไม่เข้าใจว่าหลวงพ่อจะเอ๊ะจะจะแนะนํำยังไงสําหรับพระใหม่นะแต่ว่าพอหลวงพ่อบอกเนี่ยเอาเอ า, เอาง่ายๆพูดถึงฮีดีโอปัตตาปาอุทุศสติสัมปชัญญะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องแยบคายเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็สําคัญมากนะครับแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่จําเป็นต้องเป็นพระนะครับเป็นเพราะเราเป็นฆราวาสเป็นญาติโยมเราก็นํานําสิ่งนี้ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตลอด ฮี โ, โร่ป่าไม่ไม่ได้หมายว่าถึงกา ร, รอาไตัวเองรักษาศีลไม่กินข้าวเย็นกันอะไรเนี่ยมันครอบคุมอะไรไปมากกว่านี้ครับมีตัวอย่างว่าเคยเละเลมิดศีลละเมิดอะไรตัวหลังมาเมื่อเจริญสติแล้วมันเกิดสํานึกใหม่แล้วมันไม่ทำเนะี่ยมีตัวอย่างที่เราเคยเบรกหรือข้ามตัวเองลักษณะนี้ชัดๆมีไห ม, มเหตุหการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยที่ผ่านมาครับมีควาจริงมีเยอะเลยนะครับ มีมีจนเวลาจะไม่พอที่ที่บายคือแต่จริงๆแล้วมันมันมันบนรลุยอดว่าเหมือนแบบความรู้สึกโกรธนะครับมันมันผมก็แค่เหมือนกับของคุณพี่วิชัยเนี่ยเพราะว่ามันมีโทสะจริตเกิดขึ้นมาบ่อยๆเมื่อก่อนเนี้ยเราเราจะเราจะมองเห็นความโกรธเนี้ยเมื่อเมื่อมันมันโกรธขึ้นแล้วใช่ไหยครับมันเกิดโทสะเกิดพุ่นพาคขึ้นมาแล้ว พูดอะไรก็ได้แรงๆไปตอกหน้าเขาแล้วรู้สึกสะใจรู้สึกบางทีพูดไปแล้วมันไม่แรงพอเดินกลับมาคิดได้เดินกลับไปไหวใหม่อีกก็มีแต่แต่อนหลังมันมันเปลี่ยนไปแล้วครับพอพอจะพูดออกไปแล้วรู้สึกว่ามันมันมีอะไรประเบกประมองตัวเองก่อนแล้วอายตัวเองก่อนนะครับผมไม่ไม่ทราบว่าตัวนี้ชัดเจนว่าเป็นอิริโอตาปะหรือเปล่าหรือหรือว่ามันเป็นสปิอย่างเดียวนะครแต่ว่าไอที่ชัดที่สุดคือ บางทีเรามองมองการเกิดขึ้นของความโกรธไม่ทันนะฮะบอกว่าพอจะโกรธแล้วก็มองแต่เราเรามองมันดับก็ได้นะครับความโกรธนี่มันค่อยๆดับไปเหมือนกันนะครับบางครั้งเหมือนขับรถมาแล้วสึกโกรธอย่างเงี้ยโอ้แต่ละความโกรธมาแล้วเราไม่ทันมาแล้วเราไปดูการดับมันก็ได้ลองลองวิญญาณยื้อมันไว้ก็ได้ให้มันโกรธตลอดเวลาโมโหตลอดมันมันก็เก็บไว้ไม่ได้นะครับมันมันก็ไปตามลักษณะของมันถึงเวลามันค่อยๆฟอฟอฟอมันเองเฮ้ยอย่าเพิ่งจุดโกรธสิโกรธอีก คิดขึ้นมาเองมันก็ว่าข้างในมันเดี๋ยวมันก็หายไปมันก็ค่อยๆไปยังไงมันก็อยู่กับเราตลอดไม่ได้ครับการดับของมันแต่แต่การดับของของความโลภนี่อีกอย่างนึ่งครับความโลภนี่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาอาจจะไม่รู้ตัวหรือซ้ำแต่พอสนองมันปุ๊บมันดับปั๊บเลยนะฮะมันไม่ค่อยคายไปบางทีมันมันแค่ล่อเราแค่ไปซื้อแค่นันเลยผมเดินผ่านในห้างได้กลิ่นเบเกอรี่นี่หอมฉุยเลยเข้าไปซื้อเลยพอพอซื้อปุ๊บผมรู้สึกว่า ความอยากมันดับแค่นั้นเลยยังไม่ทันกินได้ซ้ํามันล่อให้เราเข้าไปซื้อนั่นเองอ๋อความจริงเราไม่ได้อยากกินเลยแต่การดับของมันพอสนองปุ๊บมันดับแต่แต่ความโกรธนี่มันมันจะค่อยๆดับมันไม่ไม่ดับทันทีถ้าความหลงหลงนี่ผมว่ามันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาแล้วค่อยๆดับไปเหมือนกันแต่ขาดีความโกรธนี่มันจะโกรธปั้งเลยใช่ไหมฮะปั้มคือมัแล้วค่อยคยดิ่มลงไปค่อยๆหายลงไปความโลภนี่มันค่อยๆเกิดขึ้นมา แต่เวลาหายนี่ปุ๊บพอสนองมันปุ๊บดับปไปแล้วหิวข้าวไปแล้วกินข้าวปุ๊บคาแรกมันก็หายหิวแล้วครับหายอยากแล้วเงี้ยเม่ว่างนอนได้เผลอเข้ไปแั๊บหนึ่งไม่ต้องหลับก็ได้ฮะมันก็หมดละความความโรคเนี่ยมันหายไปแบบวุ้บเลยพอสนองมันความโกรธเนี่ยมันมันดับช้าๆค่อยๆหายสนุกดีฮะเราดูเราดูตัวเองแล้วฝึกสติแล้วฝึกคาราวหรอแต่ฉัน เราจะเห็นว่าการนําเสนอของคุณละชันค่อนข้างจะละเอียดนะในการเฝ้าดูอย่างะละาักษณะการเกิดและการดับของ โ, กโกรคปวดหลงเนี่ยอันนี้เราไม่ค่อยสังเกตกันนะแต่คุณละชันให้ค่อยสังเกตชัดว่าความโรคเกิดช้าแต่หายเร็วใช่ไหมแต่ความโกรธนี่เกิดเร็วหายช้าช้าแต่ว่าความโหลงนี่เกิดช้าแล้วก็หายช้าตรงกันข้ามนะความโรคเกิด ช้าหายเร็วความโกรธเกิดเร็วหายช้าแต่ความหลงเกิดช้าแล้วก็หายช้าลักษณะที่ชัดเจนนะคงไม่สับสนนะเ อ, อนี่สําหรับผู้ชายนะฮะบายศกแต่ผมว่าของโยมผู้หญิงเขาอาจจะไม่เหมือนนะไม่เหมือนของผู้ชา ย, ยผู้ชายนี่จะเน้นถึงเรื่องความโกรธเป็นลักษณะสําคัญที่เกิดสําหรับผู้หญิงอย่างโยมจีลาพรเป็นเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยคิดว่าฮิริโอตปะจะมี ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถจะจัดการกับอารมณ์ต่างๆที่เราเคยมีแล้วหลังจากปฏิบัติแล้ว ม, มันมันมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอย่าง่อนคพระครูบาอาจารย์แล้วก็พระนักกะพระนับกะทุโรบนะคะแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านค่ะชื่อจิลาพรเมธาบดีนะค ะ, ะเป็นข้าราชการครูบำนานก็กเกษียณมาตั้งแต่อายุสี สี่สิบสิบเจ็ดค่ะเออไดร์ดิทามาก็เพราะว่าความโกรธเนี่ยค่ะความโกรดความโกรธเนี่ยถ้าทำให้เครียดทําให้เครียดความโกรธกับความอยากความโกรธกับความโลภเนี่ยแต่ถ้าโลภนี่มันมันจะดูเหมือนความหมายมันจะมันเฉพาะเจาะจงความอยากมากกว่าความอยากนะฮเพราะว่าอในชีวิตการทํางานเนี่ยความเป็นครูเนี่ย มันจะมีคติอยู่อย่างหนึ่งว่าเป็นครูรู้ผ่อนส่งพอพอบรรจุมารุ่นพี่เขก็จะบอกเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะกู้ทุกอย่างฮะกู้ไม่ไม่เคยคิดเลยนะว่ากู้ไปแล้วเสียดอกเท่าไหร่คิดแต่ว่าเขาจะให้กู้เท่าไหร่กู้มาก็มาซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อที่นาอะไรนะส่งลูกเรียนส่งตัวเองเรียนเนี่ค่ะ ก็ชีวิตเป็นนี้แล้วก็อยู่กับเด็กบ้านนอกเนี่ยเราไม่มีรายได้ที่จะเอาจากเด็กมีแต่เด็กจะเอาจากเราเวลาจะสอนที่เซนอะ่ะเชิญมาสอบเชิญมาเรียนเข า, ายังไม่มาเรียนเลยเพ้นครูนี่ต้องไปทำอาชีพเสริมทุกอย่างก็สนองความอยากอยากรวยอยากรวยอยากมีชีวิตที่ดีไม่มีอะ่ะตอนนั้นไม่มีอะไรที่จะมาเบรกได้นะก็เครียดเงินเดือนติดลบ ต้องหาเงินมาซ่อมเงินเดืนเดือนละห้าพันห้าพันเอามาให้เจ้าที่การเงินก็ป่วยป่วยเป็นภูมิพใพ้กระเสาะกระเสะหาหมอกินยาเป็นกรรมกรมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุนะก็รักษาอพอสุดท้ายอ่ะไม่ไหวแล้วจะตายละก็เลยว่าลาออกดีกว่านะเพราะว่าป่วยก็ไม่มีเวลาพักนะเป็นครูวิชาการอย่างเงี้ยเป็นครูแนะแนว ปัญหาเด็กนั่สอนเ ด, เด็กขยายโอกาสอะไรนี้ไม่ให้ยอมอ่ะปัญหาเยอะนะเยอะยาเสพติดชู้สาวอย่าเงี้ยเยอะมากมแล้วก็จะต้องมารุมเล้าให้เราหมดเลยมันเครียดมันเครียดมากแล้วตอนปีที่จะออกนะเขาให้ทําหลักสูตรเนี่ยเป็นครูมัธยมยอะสอนเด็กมหนึ่งมสองมสามมีสามห้องอะแต่ครูสี่คนสอนหลายวิชาทําแผนการสอนทําหลักสูตรเยอะมากนะ แล้วเขาให้ทําให้เราทําตั้งแต่อนุบาลถึงมสามในแต่ละช่วงชั้นนะฮะทําทั้งสามช่วงชั้นหลายวิชาหลายหลักสูตรอะ่ะมันไม่ไหวน็อกเลยถึงขนาดผ่าต้องผ่าหูพ่าอะไรนะแล้วหมอบอกให้นอนนิ่งๆอยู่บ้านเนี่ยพอออห อ, อบงานไม่ทําที่บ้านเพราะเขาประเมินคืออย่างนี้ไม่มีแม่แม่เวลาจะป่วยก็เลยลาออกเลยมีโครงการมาก็ลาออกลาออกออ ก, ก็ก็เข้าวัดเลย มีเพื่อนน่ะพาหลอกมาหลอกมาทำํำกระเด็นสตรีแบบเพื่อนไหนะวเนี่ยตนหลอกว่าเขาอะมีคนเพื่อนกันเนี่ยเขามาปฏิบัติแล้วเขาเขาบรรลุธรรมตอนนั้นตอนนั้นอยากบรรลุธรรมนี่เดียวทําบรรลุธรรมมันจพนทุกก็เขาก็หลอกมาก็มายกมือเนี่ยเขา bye, สบายสบายเนี่ยสบายไม่ต้องทําอะไรก็สบายอย่างเดียวก็เลยก็เลยลองทําดูยกมือมันสบายจริงเปล่าเขาไปเดินทั้งวันนี่ทั้งวันเราเปล่า ตอนนั้นก็ไปอยู่ในสวนคนเดียวอ่ะนะผู้หญิงคนเดียวอยู่ในสวนมะขามอ่เนี่ยก็ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ไรอ่ะไม่ได้ไรก็กลับไปอยู่ในท้อโลกเนี่ยไปอยู่ในกรุงเทพแต่เขาก็โทรตามนะเขาก็โทรตามไม้น้าไม้น้าเนี่ยก็พักพวกกันสีห้าคนก็มามาปฏิบัติเนี่ยยกมือเนี่ยแต่เขาไม่ดูแลอย่เหมือนหลวงพ่อดูนะคะก็มาก็ทําใครทางมันเป็นเพื่อนกันก็สบายสบายสบายไงก็ไปเรื่องนะแล้วพอตอนหลังเนี่ย ได้มาแพทย์แสงเทียนน่ะก็ก็เห็นแต่นังสือหลวงข้อค่ะก็มาเรียนกับป้าพิกุลพระอาจารย์กษินก็มเรียนกับพระอาจารย์ก็มาเรียนก็ก็ได้ไปก็ไม่ได้เห็นความคิดได้เลยก็เพิ่งจะมารู้เพิ่งจะมารู้ก็ป้าพิกุลก็บอกว่าให้ขยับมือล้างถ้วยล้างจานเดินก้าวเดินให้รู้หมดนอนจะลุกจะนั่งให้รู้หมด เมื่อดตามนะก็ะไปเดินฟุตบาทในกรุงเทพก็เห็นตัวเองเดินไว้ไว้ไว้ไว้เห็นคนอื่นสวนไปสวนมาไม่ไม่รู้จักใครเลยก็ภาวนาในการเดินอยู่คนเดียวทีนี้เดินไปเดินมาอยู่วันหนึ่งอ่ะไปซื้อของเนี่ยมันซื้อไม่ได้ไปซื้อชุดสวยๆเนี่ยปกติจะชอบเนพะชอบสะสมอ่ะปราิฏเดินไปไปอ่ะเดินไปประมาณเนี้ยเห็นปุ๊บเดินไปยปั๊บนะ มันเบรกเลยเท้ามันก้าวไม่ได้มันหยุดกึกเลยแล้วถามว่าเอาไปทําไมจําเป็นไหมไม่มีได้ไหมเอาล่ะมาเป็นเซ็ตเลยอ่แล้วมีเนี่ยมีตังค์ซื้อไหมต้องไปกู้นี่เพา้าไหมจบเลยหันหลังกลับเลยค่ะคนขายงงเลยอ่ะคนขายงงตอนแรกมันจะมีคําถามนี้มาก่อนก็ทํอยางนี้ยไปเรื่อยๆนะทีนี้มันก็ความอยากมันลดลงลดลงมันเจะจืดไปเรื่อย มันจะเจกิดไปเกิดไปอ่ะเพราะฉะนั้นความจําเป็นที่จะใช้จะซื้อสิ่งของมันลดลงลดลงพอจะซื้อปั๊ดเนี่ยมันนึกถึงที่มันอยู่ในตู้ที่บ้านวูบขึ้นมาภาพมันขึ้นมาเดินหนีเลยไม่ซื้อจบมีแล้วจบนี่ถามมันเกิดขึ้นเองทีนี้ตอนหลังก็มาสงสัยเพราะอะไรก็เรายกมืออย่างเงี้ยเรารู้รู้ทุกขณะเคลื่อนหยุดเคลื่อนรู้หยุดรู้เนี่ย เรารู้หมดช่วงที่เรารู้เนี่ยศีลมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้คิดดีคิดชั่วเลยเลยช่วงเนี้ยใช่ไหมท่านลองสังเกต ด, ดูเนี่ยศีลมันศีลมันมีครบแล้วมันเป็นศีลที่มันปกติอะ่ะมันต้องศีลห้าศีลแปดอะไรสักอย่างไม่ต้องมีเลยคือมันมันมันร่างจากความอยากความโลภความโกรธความหลงแต่ถามว่าของเรามีไมอะ่ะจากที่เราเป็นคนโกรดนี่นะ ครั้งแรกเนี่ยตัวเองจะเป็นคนแบบว่าตอนแรกจะบังคับก่อนจะไม่ชอบมีปากมีเสียงกับใครเนี่ยจะโดงคนบนบ่นบ น, บ น, บ, นบนมันจะเงียบเงียแต่มันจะอัดไว้อัดไว้แล้วพอถึงเวลาระเบิดมันระเบิดเนี่ยมันระเบิดใส่เลยนะถึงขนาดต่อยจะต่อยผู้ชายในยเคยอะ่ะเพื่อนโรงงานเนี่ยประชุมประชุมเรื่องงานเนี่ยคะ่ะแต่พอตอนหลังเนี่ยมันจะเห็นอาการอาการโกรธมันจะเห็นมาเลยว่า พอพอเราไม่พอใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะกลุ่นขึ้นมามันเหมือนมันจะร้อนร้อนทในอกอ่ะร้อนร้อนขึ้นมาแล้วมันจะแน่นมันจะแน่นเห็นครั้งสุดท้ายนะที่เกิดที่อ่าที่จิตมันทิ้งความโกรธน่ะก็คือมันจะแน่นแล้วมันจะรัดมันเหมือนเราเอากระดาษแข็งเนี่ยมาม้วนอ่ะมันจะม้วนม้วนจนจนแน่นหน้าอกแล้ว พอเราเห็นว่าโอ้กอันนี้มันโกรธนี่โอ้โกรธมันทําร้ายเราขนาดนี้เลือดมันฉีดแรงขนาดนี้นะความดันมันคงขึ้นมันจะหน้านี้ไปหมดหัวทั่วตัวเลยมันจะฉีดจะเห็นอาการมันน่ะแล้วปรากฏว่าจิตมันรีบวางแต่พอมันวางแล้วมันยังกลุ่นอยู่นะมันกลุ่นเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยกว่าที่เราตามดูที่มันจะหายจนจนจิตมาสดใสเหมือนเดิมน่ะอันนั้นครั้งสุดท้ายเรารู้รู้สึกขยดความโกรธ รู้สึกขยะตั้งแต่นั้นมานะทีนี้เดี๋ยวนี้ถ้าจะเนิมม่นไปใครว่าได้กระทบเราจะรีบมารู้สึกตัวก่อนเอาสินก่อนเอาสินก่อนก็คือจะมารู้สึกตัวแล้วเสร็จแล้วก็เราก็จะมาดูว่าเอมันโกรธไหมสังเกตบางคนจะเห็นว่าที่จริหน้าไม่หน้าไม่ยิ้มแย้มนหน้าบึง้งที่จริงเรามาดูข้างในเราไม่ได้ดูหน้าขเขาบางที่เราดูหน้ า, างี้นะหน้าไม่ยิ้มนะแต่เปล่าไม่ได้ดูหน้าคุณฉันดูหน้าเนีย่ยดูข้างในใหดูข้างในทํางานบ่ามทํางานยังไง กระบวนการทํางานมันเกิดขึ้นไงมันตั้งอยู่มันดับไปไงก็มันสนุกค่ะยิ่งไม่เจอนะเหมือนกับมาทํางานเนี่ยเนี่ยมาอยู่วัดเนี่ยมาทํางานเลยค่ะคูนิธิเนี่ยฮะแล้วทําเหมือนกับเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ระหว่างงานของหลวงพ่อกับลูกศิษย์ที่มีทั่วโลกอ่ะแต่และคนก็มีความอยากคนนี้ก็อยากโลภกูฏหลงอยากโลภกูฏหลวงกันหมดมีหมดพอมาเจอพวก น, นี้เราเหมือนกับอยู่สนามลบ เคยดูหนังจีนไหมที่เขาขีมา่ม้านึกเีไยเที่ยวตัวเองนะว่าดาบมันมาเลยทั้งดาบทั้งหอกทั้งเหล่าอ่ะมันมาหาเราแล้วเราก็ก็ปัดอ่ะก็ปัดเอาเอาสติที่เราเรียนมาเนี้ปัดต้องตัวเองไม่ให้จิตเรามันหมองอนะจิตไม่ให้ความโกรธมาครอบงำความไม่พอใจมาครอบงําเราเนี่ยนะก็บางทีมันก็น่วมน่วมเหมือนกันนะอ้วมอลาไทยเหมือนกัน นะฮะมันคือก็โอมอ่อะไรให้มันก็กมะเก็บารลมเนี้ยก็มาเอามาชาร์จชาร์จแบบนี้การมาที่ยกมือต่อเนื่องเงี้ยเหมือนการชาร์จแบตมันมาชาร์จแบตอย่างเงี้เหมือนกันก็เงี้ยค่ะแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้ตลอดเราไม่ออกไปนะมันไม่เจอมันไม่เจอของจริงอันนี้มันของของที่อยู่ข้างในเราเฉยเฉยเราต้องเจอข้างนอกต้องโดนลุมสกรรมมาถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นมวยหรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่ไหวเลือดโชกอ่ะรีบเรียบมาเลย เขาวัตรีบเขวัตเลยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่มันแล้วที่ไอ้ที่ไอ้ความละอายได้เกณฑ์กลมตบารเจอนะเวลาทํางานเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างนะยังขายเสื้อเนี่ยขายเสื้อไอ้กองทุนเนี่ยบางทีเราเนะยจะเอาเสื้อสักตัวหนึ่งใส่เนี่ยแล้วต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะดีหรือไม่ดีบางทีแรกๆเราก็จะซื้อเอาซื้อ ซื้อใส่เอาเนี่ยก็ไม่กล้าเอาทั้งที่เราเป็นคนทำเราเป็นคนนี่นะะมันก็ไม่กล้าหรือบางทีเราจะทำอะไรอะของที่เงินของมาจากเงินบริจาคแต่เราจะมาตั้งราคาขายอย่างเงี้ยมันก็ทำไม่ได้คือถ้าทำไม่ได้ของของดิฉันเนี่ยคือจะทำมันไม่ทำบางทีลองนะฉันจะทำแหมมันเหมือนมีคนคุมอมมีมีตัวคุมอยู่อ่ะคุมเราทุกอย่างเลย ถ้าเราจะทําอะไรที่นอกนี่นนอกรอยมันจะคุมเรามันจะกรองหลายชั้นบางทีเราเถียงนะว่าอย่างนี้ได้ไหมอย่างงี้มันเนียนนะมันจะหาเหตุผลเนียนมากเลยเหตุผลที่ดีแต่ตัวเนี้ยมันจะบอก <Yes. S 1> คือตัวเงียบนะแต่ว่าเขาดูอยู่เหมือนเรากลัวหลวงพ่อเราเป็นลูกศรหลวงพ่อแล้วเวลาเราเดินเวลเราจะไปไหนใช่ไหมหลวงพ่อเห็นอยู่หลวงพ่อมองอยู่ะเรากล้าไปไหมไม่กล้ามันก็มันก็หยุด บางทีมันก็เป็นอย่างนี้แต่บางทีมันก็เป็นสภาพบ้าที่ว่ารูบขึ้นมาอายไอย้รูบขึ้นมารายุกหายไปแล้วก็ทําไม่ได้เงี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วที่ที่ทสดสดเมื่อวานนี้ถ้าเมื่อก่อนนะแฟนเนี่ยขับขับรถมายี่สิบปีเนะี่ยไม่เคยเฉียวแต่แฟนเนี่ยเฉียวหลายรอบแล้วเวลาเฉียวเราก็จะบอกกันไม่มีใครเห็นหนีพ่อหนีก็คือเราไม่อยากเสียตังค์แต่เมื่อวานนี้นะ ขับรถมาถอยออกมาถอยม า, ยมาแล้วมันมืดด้วยตาไม่ค่อยดีแล้วก็คุยกับแฟนดรสักเนี่ยเขาห่วงแฟนเขาว่าแฟนเขาขึ้นรถจะซื้อคือจะซื้อตั๋วละจะซื้อบริษัทอะไรแล้วก็เอาวางโทรศัพท์เปิดสเปียโฟนวางมือตกัก็คุยไปด้วยมองหลังมองหลังแต่ว่าพอจะเลี้ยวออกมานี่ฝนตูดรถอีกคันที่จอดชิดกันนะคะปรากฏว่ามาขับรถเดิน มันไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันว่างๆขับรถเข้าซองเหมือนเดิมแล้วก็เปิดประตูลงไปเดินหาเจ้าของรถเดินออกไว้ okay. แล้วคือมันไปมันไปรับผิดอ่ะมันไปนรับผิดเลยอ่ะนี่เห็นนะเห็นก็มองอยู่นะว่ามันเดินไปมันเดินไปล้มองอยู่เออจะไปทําอะไระมันจะไปทํายังไงเมื่อทีนะ่ะก็เดินไปก็เห็นคนเดินออกจากเซเว่นมาแล้ว สังเกตว่าใครเป็นเจ้าของเราก็จะมองตาว่าคนออกประตูมาเนี่ยตาเขามามองที่รถคันนี้เปล่ามีคนหนึ่งออกมาปุ๊บมองไปที่รถคันที่เราเฉียวเนี่ยก็เลยเดินไปถามว่าเป็นเจ้าของรถคันนี้เปล่าไงก็บอกเขาว่าเราอะเฉียวชนน้าประมาณเนี้ยจะให้เราทํายังไงจะเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่คนนั้นเขาตกใจหน้าหน้าซีดเลยเหมือนกันเราหนีไปแล้วอะ่ะเขาถามหน้าเราเสร็จแล้วเขาก็โทรเรียกแฟนเขามาก็าบอกแฟนไปห้องน้ําก็มา แฟนเขาก็มาแต่แ ต, แต่แต่แฟนเขานะ่ะจิตดีมากจิตดีมากเพราะว่าเพราะว่าเรารีบเอาเอาเอาเราไปซื้อนมซื้อยกเกิดอะไรจะจะเอามาปั่นถาวายหลวงพ่อทำบันดนะตอนเย็นเราจะรีบเขา้าแฟนเขาบอกว่าผมไม่กล้าเอาเงินให้พันสองพันสามพันห้าพันก็ไม่เอา ต้องให้ประกันเท่านั้นคุณต้องรอประกันสองชั่วโมงว่าเรารอไม่ได้เราไม่กวักบัตรประชาชนให้เขาถ่ายรูปไปเลยมันฉลาดนะมันจัด ก, การในกระบวนการทาํางานปุ๊บปุ๊บ๊ บ, บ, บ๊บ๊แก้ปหาลแล้วก็เดี๋ยวคุณตามขึ้นเขาไปเลยให้ประกันตามขึ้นเขาแล้วก็ขับรถมาเลยเขาก็ไม่กล้าท้าทายเราเพราะเราทําอะไรจบไปเรียบร้อยแล้วอย่าเงี้ยพร้อมอยู่บนเขาเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ได้เงก็มาถึงนะเขาก็มาเราก็มาสวดมนต์ เราปิดมือถือเขาติดต่อเราไม่ได้แล้วก็มาเจอเทวดานะคะหลวงพ่อเขามาเจอหลวงพ่อ <c oughs> ก็หลวงพ่อก็จ่ายค่าปรับให้เรียบร้อยสามพันนะอันนี้สดๆที่เห็นนะมันมันว่างเปล่าจ่ะมันมันแตกมันไม่เหมือนเดิมที่เราจะต้องหนีเรากลัวว่าจะต้องเสียตังค์ให้เขาหรือกลัวเสียเวลาอะไรประมาณนี้แต่อันนี้เราไม่มีเวลาที่จะจะเสียให้เขาแล้ว เรารีบมากอนะ่ะเราจะเราจะรีบขึ้นมาแล้วน้ำปานะผ้านี่นำนำสำคัญมันเลยเวลาไม่ได้อะ่ะแต่มันฉลาดในการจัดการน่ะนะฮะแล้วคุณที่มารีสาที่ไปด้วยเขากินยาไขา่ไข่ไข่เครียดไข่กล้ามเนื้อไปอะ่ปะเพราะปู่เขาเขาก็กินยาแล้วง่วงในรถเจ้าค่ะหลวงพอ่อง่วงแล้วไม่เหมือนเดินก็ไม่ได้เจ้าค่ะโยมก็ต้องเอาของมาไว้ที่โรงครัวที่ที่ ม, ามาหาหลวงพ่อนะ่ะเอาคุณมารีสาเป็นนอนเนะี่ย ปองเขาเป็นอนเนี่ยคือมันมันทํางานได้เป๊ะเป๊เป๊มันฉลาดถ้าถ้าจะเดินสตรีงเงี้ยมันฉลาดมันได้ฝึกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมันโมโหมันอยากได้อยากมีเงินก็ไม่มียังจะไปกู้เอาเองยกมือเดี๋ยวมันมีคําตอบคําตอบมันอยู่เนี่ยเนี่ยกุญแจมอยู่ในเนี้ยแค่รู้รู้สบายสบายเจ้าค่ะคงจะแชร์นี้เดี๋ยวหนังจะยาว ก็นี่คือเราได้ฟังตัวอย่างจากคลหัตนะครับในฐานะที่ได้เรจเริญสติแบบแบบเราทำนี่แหละแต่ว่าฮิริอุตปะค่อนข้างจะ <c oughs> ชัดเจนนะ่ะตามปกติเวลาเราเกิดรถชนก็ดีเกิดรถเฉียวก็ดีเนี่ยเราจะเกิดว่ามีปัญหามีเรื่องแล้วจะตกใจไม่สบายใจอันนี้อย่างคือดำเนินไปตามปกติเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นคือมันผิดก็คือผิดก็จัดการให้ตามผิดก็จบกันแค่นั้นนะ่ะอันนี้คือ คือการเจริญสติที่ทําให้ใจเราปกติทุกอย่างมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หรอว่าออมีสติแล้วทำไมไปถอยรถเฉียวเขาทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เขาเรียกว่าเหตุสุดวิสัยเนี่ยแม้มีสติมันก็จะต้องเกิดนะเรียกว่าเหตุสุดวิสัยนี่อ่ามันมันไม่สามารถจะห้ามได้ดังนั้นสติที่จะช่วยเราลักษณะอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุเกิดขึ้นอ่าไม่ว่าดีว่าร้าย เ, เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเราเจริญสติประจำํำในสิ่งหนึ่งคือจิตของเราจะไม่เสียครับ เมื่อจิตไม่เสียรล้ปัญญามันเกิดนะครับอันนี้ก็ขอมูทนาขอบคุณทั้งสองท่านนะทคุณหมอทวรอ่าแล้วก็คุณจริรพรคุณหมอทวอนมีอะไรเสื่อมไหมนอกจากรอบแรกมีประเด็นค้างไหมขออีกสักนพูดถึงเงฮลโอตาปาเนี่ยมันบางทีมันเหมือนกับเราชักขเยือ้อเราชักเยื้ไปชักเยื้มาแบบ มันดึงกันไปดึงกันมาในใจเรานะอย่างเราก็รู้นะอย่างบางทีเราจะทำผิดศีลเช่นฆ่าสัตว์หรือว่าดื่มสุราอย่างเงี้ยบางทีเราเราละอายใช่ไหมละอายไม่อยากกินแต่พอดีมีเพื่อนอะไรมาชวนหรือเนี่ยสิ่งแวดล้อมนะ่นมาชวนหรือมช่ชทกจูงหรือมาอะไรเี้ยหรือเป็นวันเกิดเป็นข้ออ้างเยอะ แล้วก็ต้องไปกินกับเขาอะไรประมาณนั้นนหละมันมันมันเป็นเรื่องของจะว่าเรื่องของศรัทธาหรือมั้งศรัทธามันไม่ถึงนรือยังไงไม่รู้คืออย่างบางครั้งเนี่ยผมสังเกตว่าเราฆ่าสัตว์อะแมลงสาบเนี้ยเนี่ยพอดีผมย้ายบ้านมาที่ที่แล้วนะแนมะลงสาบมันเยอะนะเอ็มจะบาปมนะั้งเนี่ฆ่าแมลงสาบแมงสาบบินว่อน ต้องฆ่ามันสาบไปหลายตัวคือคือใจอยู่ใจเราก็คิดอยู่ในว่ามันเป็นบาปแนะเนี่ยมันเป็นผิดศีล น, นะคือบางทีมันเอกตัวอะไรอ่ะแรงดึงอะ่ะเอกฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีอะในใจเรามันดึงมันชักขย อ, อ้ ก, กันอะทีนี้เราเราสู้ไม่ไหวนะอไอ้ฝ่ายดีมันสู้ไม่ไหวมันถูกถูกฝ่ายไม่ดีมันลากไปเหมือนเราทถลอกปอกเปิือกอะเจ็บอะ ประมาณนั้นนะนะมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงนะในเรื่องของสติเรื่องของเหตุเนี่ยเพราะบางทีเรามันมันหลายระดับอะ่ะแต่ว่าไอตัวสติเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะอย่างที่บอกอ อ, อันอันที่หนึ่งก็คือเราจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยตกใจง่ายแก้ปัญหาได้ดีเนะี่ยถ้าเรามีสติถ้าเรามีความเข้มแข็งพอเนี่ยมันก็จะมีปัญญา วเวลามีปัญหาแล้วมันจะมีปัญญาช่วยช่วยได้เยอะอะปัญหาทางออกได้ง่ายเพราะเราไม่ตกใจเราไม่เราไม่สับสนเราไม่เราไม่อุโลเวงในใจเราอะ่ะไม่ฟุง้งซ่านไม่อะไรเนะี่ยมันมันจะมีทางออกอะ่ะงั้นเวลาเราดําเนินชีวิตประจำวันเรานะมันมีเรื่องเยอะอะมีเรื่องเยอะการทํามาหากินเรื่องของอะไรอะ่ะ การทํางานอย่างเงี้ยเยอะอย่างผมเนี่ ย, ยเยอะมากเลยฮนะบางทีผมก็มาคิดได้มันไม่น่ารอดทํางานมาได้ขนาดนั้นมันทํางานเยอะมากอนะ่ะนั้นนั้นตัวสติเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญแล้วมันทําให้เราเอ่อมันมีผลถึงเรื่องบางเรื่องอ่ะเรื่องบางเรื่องเราสังเกตอนะ่ะอันนี้จากประสบการณ์นะเรื่องบางเรื่องที่เราชอบอนะ่ะมันจางไปจางไปเนะี มันไม่หมดไปแล้วแต่ว่ามันมันมันจางมันจืดไปเยอะเหมือนเรื่องอย่างเช่นเอาเราชอบดูฟุตบอลอย่างเงี้ยเนี่ยฟุตบอลดังๆังเมื่อก่อนผมดูจนสว่างไงตอนหลังมามันมันอยากดูอยู่แต่พอไปเปิดดูมันดูได้สักสิบยี่สิบนาทีมันมันไม่สนุกอ่ะแต่มันก็ยังอยากดูอยู่นะตอนไปเปิดดูพอไปเปิดดูเอ๊ะมันไม่สนุกอ่ะเหมือนเมื่อก่อนติดเรื่องฟุตบอล ชอบดูอะดูจนสว่างะดูมวยอ่างเงี้ยดูมวยชอบดูเชียร์ทีมอะไรมุมแดงมุมน้าเงินเดี๋ยวนี้มันมันมันมันจืดไปเยอะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเราเรื่อไอความอยากดังอยากเด่นอะไรอะเมื่อก่อนเนี่ยเต็มมีเยอะต่อหลังมามันเฉยเฉยมันหายไปเยอะมันมันดีเป็นบางเรื่องนะบางเรื่องมันยังมีอยู่แต่บางเรื่องมันหาย มันจางมันจืดแต่เมื่อเรื่องมันมีอยู่มีอยู่แต่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่ทราบซึ้งดื่มดาเหมือนแต่ก่อนน่ะเออมันมีเนี่ยมันมันบางทีผมก็มาคิดเออเราอายุมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะผลการปฏิบัติหรือยังไงเออบางทียังยังมานั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นเพราะเราได้เจริญสติปฏิบัติมาเรื่อยๆมันทำมันจางไปหรือว่าเพราะอายุเรามากขึ้นหรือเปล่า มันเป็นผลจากอะไรแน่อันนี้บางทีบางทีก็มานั่งคิดอยู่เหมือนกันนะแต่ก็พยายามถามคนอื่นเมืออายุวัยเดียวกันเนี่ยมันมาเทียบเคียงดูว่ามันเป็นอย่างเราไหมอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นผลดีของการเจริญสติเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะโดยเฉพาะคารวาสเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยมันทุกข์มากนะถ้าไม่มีตัวนี้บอกได้เลยนะเครียด อะไรมากระทบเราเครียดหมดนี่เราตายนะอายุไม่ยืนเน่ยเนี่ยอะไรมากระทบเนี่ยทุกวันเนี่ยมันจะมีปัญหามากเห็นมันลองดูข่าวอะ่ะเรื่องการแช่รถเนี่ยรถยนต์เนี่ยเยอะมากทุกวันปาดหน้ากันด่ากันยิงกันปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาไปจอดรถยิงกันแล้วเนี่ยเยอะ<ค><ณ>ผมนี่โดนบ่อยบางทีเราเราขับรถทางไกลเนี่ยเราบางทีเราบางช่วงเราง่วงไง เราก็ขับช้าไอ้คนที่มาหลังัไม่ทันใจมันก็ปาดหน้านะขี่ไปปาดใกล้ๆนั่นนหะทีเราก็บุดขึ้นเหมือนกันนโกรธเหมือนแต่ว่ามันก็ช่วยอย่างที่ว่าแหละพอโกรตั้มมันรู้มันรู้มันก็หยุดไม่ไปทำอะไรก็ปล่อยมันไปนี่คือคืออานิสงส์ของของการเจริญสติเนี่ยเพราะว่ามันมีมากนะมาเทียบดูตัวเองแล้วมันทางานได้เยอะ ทำงานได้เยอะแล้วก็ไม่ทุกข์มา ก, กนักอยู่ได้ถ้มามากินอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นเป็ น, ปนผมว่ามันเป็นผลจากจากกันที่เรามาเจริญสติกันนี่แหละนี่ก็ลองท่านก็ลองไปพิจารณาดูลองทําดูจริงๆดูสักหกเจ็ดวันที่อยู่เนี่ยลองลองลองทดลองดูอ่ะถ้าไม่ลองดูด้วยตัวเองไม่รู้ต้องฝืนเนี่ยท่านต้องฝืนเนี่ย ฝืนอยู่ในระบบเงี้ยระเบียบวินัยเนี่ยลองบังคับตัวเองดูบ้งางพอที่ผ่านมาเราปล่อยใจปล่อยกายปล่อยตัวไปตามอารมณ์อยากทําอะไรก็ทําอะลงมาอยู่แบบนี้ดูบ้างเนี่ยนี่ช่วงภาคปฏิบัติที่เป็นเครหัสเนี่ยหมอทําช่วงไหนผมก็ในชีวิตประจําวันผมก็เนี่ยฮขับรถเนี่ยแล้วผมจะเริญสติขับรถเนี่ยผมชอบนะเอออย่างผมขับรถจากจาก ที่ทำงานเนี่ยไปสอนสมมติไปศีสกเกตเงี้ยสิบกว่าชั่วโมงน่ะผมออกแต่เจ็ดโมงไปถึงนู่นประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงนะผมก็กำหนดรู้จากการเจรนสเตียเดี๋ยวนี้ผมมาใช้วิธีดูจิตใช้คำว่าดูจิตหมั้งแต่ถ้าดูจิตนี่ถ้าถ้าคนยังไม่ไม่เป็นนี่อาจะดูยากนะมันต้องดูกายก่อนนะเนี่ยดูกายก็คือยกมือเนะี่ยแต่ถ้าพาเป็นแล้วมันมากำหนดดูที่จิต แล้วดูที่จิตและจิตมันว่างปอบจิตว่างเนี่ยขับรถสิบชั่วโมงเนี่ยผมสังเกตแหละบางวันผมขับไปถึงศรีสะเกดเนะจากอุตรดิต์เนี่ยทั้งวันเลยนะสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยมันไม่นอนนะตอนแรกผมคิดว่าเออผมใสไปถึงปลายทางผมใสหมดแรงแน่มันมันไม่เป็นนะเพราะว่าระหว่างทางที่เราขับไปมันมันได้อารมณ์นะ มันแน่ลมมันจิตใจมันว่างแล้วเราก็แวะจอดเป็นระยะระยะระยระยแล้วเราแต่เราอย่าไปตั้งความหวังนะถ้าไปกะเวลาเราเราเครียดเราตั้งไว้แค่ว่าหัวกะท้ายอย่าไปกะว่าไปถึงขอนแก่นสิบโมงเอ้ยยี่เออเที่ยงวันไปถึงสะะารคามนะ่ะถ้าอย่างนั้นเครียดเลยนะวางจิตไม่ได้นะถ้าไปกําหนดอย่างนั้นอนะเครียดเลยแต่เอาแค่ว่าออกจากบ้านเจ็ดมงไปถึงสีสิเกตสัก กโมงเย็นหรือทุ่มยังก็ได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างเงี้ยขับได้ทั้งวันนะพอไปถึงปลทางมันแทนที่มันจะหมดแรงอ่ะมันกลับนอนไม่ได้มันไม่ไม่หลับไม่ง่วงมันก็ปี้ก็เป่าอ่ะเออมันกับจิตมันตื่นอ่ะมันได้อารมณ์นะนั่นพราอะไรเพราเวลาขับรถผมผมขับไปคนเดียวเนี่ยมันไม่มีใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันไปไหนไม่ได้มันลุกไปไหนไม่ได้มันที่มันจํากัด พอทีมันจำกัดปั๊บเราก็มันดูที่จิตเราอย่างเดียวกำหนดที่จิตเราอย่างเดียวกำหนดรู้ที่จิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวอมันกลายเป็นว่าสิบชั่วโมงเนี่ยถ้าเราดูจิตมีสมาธิสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันมันว่างเลยจิตมันว่างเลยเนี่ยสังเกตดูมันว่างมันโล่งมันโปร่งพอไปถึงแหววทางมันโปร่งเลยเนี่ยมันมันอันนี้มันเป็นมันเป็นอนิสงส์ของมันอ่ะ สังเกตดูผมผมจะทําอย่างเงี้ยพอตอนหลังมาผมไม่นั่งเครื่องบินเมื่อก่อนผมก็นั่งเครื่องบินเี่ยไปสีสุกเกตไปอุบลไปเลยแต่ภาคใต้เนี่ยภาคใต<ป>้ผมก็ขับไปนะไปจังหวัดตรังเนี่ยผมก็ขับไปเคยขับไปแต่ถ้าไม่จําเป็นก็นั่งเครื่องบินไปนั่งเครื่องบินก็เร็วแต่นั่งเครื่องบินมปนั่งหลายทอดไงต่อไปขึ้นที่พิษณุโลกพิษณุลโลกไปลงกรุงเทพจากกรุงเทพไปอุบลหรือไปภูเก็ตเนี่ย เวลาย้อนก็ย้อนมาลงเทพมันไม่มีเที่ยวเดียวอะ่ะมันไม่มีพิษณุโลกอุบลพิษณุโลกภูเก็ตมันไม่มีมันไปหลายทอดผมก็ใช้วิธีขับรถขับรถแล้วมันได้แวะหลายะหลา ย, ลา ย, ลายทางแวะพักผ่อนได้เจริญสติด้วยอะไรด้วยผมก็เลยก็ใช้วิธีนั้นนะส่วนใหญ่ในใช้กับการงานนะในการดูสองอย่างถ้าอยู่ในที่จำกัดทาอะไรไม่ได้ก็ดูใจนะ แต่ถ้าเรามีงานที่ต้องทาก็ดูกายอันนี้เราได้ฟังครห่อขัดนะคับวันนี้ไหนเราฟังมาค่อนข้างจะชัดเจนใยนี้เหมืองกันที่ท่านทั้งหลายเป็นเป็นชาวบ้านเข้ามาบวชแล้วก็ได้ฟังว่าเออเราเป็นชาวบ้านจะปฏิบัติได้หรือเปล่าแต่เราฟังตัวอย่างสามสีท่านแล้วไปไงชัดนะแต่ในกรณีที่เป็นพระเนี่ยแต่หลายท่านที่จะไม่ศึกมีอยู่ใช่ไหมถ้าจะอยู่ต่อไปเนี่ยจะอยู่อย่างไรเมื่อคืนผมพูดถึงเรื่องของ อ่าท่านวันนี้ท่านมาน่ะท่านมาเป็นเพื่อนเราที่มุนหันหน้าไปทางนั้นที่ครับอ่าหันหน้าไปทางนู้นครับทางหันหน้านู้นวันนี้ท่านบุตรท่านเป็นคนสุดท้ายในการที่จะบอกพวกเราว่าเข้ามาเป็นพระแล้วเนี่ยเป็นพระ บ, บทใหม่แต่เกิดอยู่ต่อได้ทั้งๆที่ว่ามีหน้าที่การงานได้ร่ำหรือเพียบแล้วก็การงานการเงินดีด้วยการศึกษาดีด้วยแล้วทําไม อยู่ทิ้งเฉยเลยครับมันมีเหตุแรงประดาลใจอะไรน่าจะได้พูดให้พวกเราบางทีคนหนุ่มที่นี่หลายคนอาจจะไม่สื่อก็ได้นะถ้าหากว่าได้ประเด็นตรงนี้ชัดเจนกับคนที่มุ่งโดยหลุดครับครั บ, บข้าพการพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็พระภิกษุทุกลปทุกท่านในความเคารพครับก็ผมชื่อพระทราทร น, นะครับก็เป็นลูกหลานบ้าน ปักปานนี่แหละครับแล้วก็เป็นาญาติห่างๆกับหลวงพ่อนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแพร่ธรรมรามอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับอตอนแรกก็กะว่าจะบวชสองเดือนนะครับสองเดือนก็เป็นบวชตามประเพณีตามที่ คนไทยปกติเขาทำกันใช่ไหครับตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บวชตามประเพณีบวชสองเดือนแล้วทีนี้เหตุที่ไปบวชเนี่ยมันเป็นช่วงของการย้ายงานด้วยมันใช้มันใช้เวลาช่วงลอยต่อตรงนั้นแหละครับช่วงลอยต่อระหว่างการเปลี่ยนงานแล้วก็มีความคิดที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับก็เลย เข้ามาบวชก่อนช่วงนั้นอายุประมาณยี่สิสี่ย่างยี่สบห้าพอดีแล้วทีนี้พอได้เข้ามาบวชปุ๊บเราก็มีความคิดว่าไหนไหนได้เข้ามาละได้ได้มาอดข้าวเย็นได้มาห่างจากทบายมุห่างจากอ่ผู้หญิงเที่ยวกลางคืนห่างจากเพื่อนละก็ลองตั้งใจดูเริ่มต้นในความตั้งใจครับ พอเริ่มต้นในความตั้งใจปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งการปฏิบัติการปฏิบัติในที่นี้ก็เหมือนเราโอปนญยิโกทุกทุกทุกอย่างน้อมเข้ามาไม่ว่าอะไรก็ตามก็น้อมเข้ามาตอนนั้นยังไม่รู้หรอกครับตอนนั้นก็อะไรก็ทำหมดอะไรก็ดูหมดข้างนอกก็ดูว่าเขาเป็นยังไง ในทางในเวลาเดียวกันก็ดูด้วยว่าตัวเราตอนนั้นเป็นยังไงดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนมันเข้มแข็งขึ้นข้อวัดที่ที่ที่วัดแพทย์เขาจะแบ่งเป็นข้อวัดนะครับจะไม่ได้มีการมาเจริญสติอ่าเป็นเป็นคอร์สแบบนี้นะครับทีนี้จิตมันก็เข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นมันเอาชนะความขี้เกียจที่ค้าน สามารถเสียสละมากขึ้นมากขึ้นเสียสละโดยที่แต่ก่อนนี้เสียสละเพราะมีคนบังคับมีข้อวัดบังคับหลังจากนั้นความเสียสละมันเกิดจากอาตัวตัวจิตของมันเองคือไม่มีใครบอกไม่มีใครสั่งก็ทำเองอะไรเงี้ยครับ พอจหลังจากนั้นจุดเปลี่ยนมันก็คือยังสนุกอยู่ตอนแรกก็จะบวชสองเดือนแล้วก็จะราศีขาหลังจากนั้นมันก็อพออยู่ไปแล้วมันมันสุกมันสบายใช่ไหมครับแล้วที่นี้มันเหมือนกับว่ามันยังมันยังรู้จักตัวเองไม่หมดก็เลยเลื่อนต่อไปทีละหน่อยทีละหน่อ ย, อยจากสองเดือนเป็นสามเดือนสามเดือนเป็นสี่เดือนแล้วมี อยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นกําลังจะขอหลวงพ่อลาสิขาล้วก็เลยขอหลวงพ่อว่าขอเวลาสักสามวันกลับมาบ้านกลับมาที่เนี่ยขอเวลาสักสามวันแล้วก็มาให้ที่บ้านเขาเรียกว่าโปวดโยมใช่ไหมครับปวดโยมสักสองสาวันแล้วมาเจอกับหลวงพ่อมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็มีโอกาสได้ชวนนะครับชักชวนไปไป อบลมที่ใต้นะครับเป็นเวลาขอเวลาเลื่อนไปสักสองอาทิตย์อะไรครับด้วยความที่ว่าเราก็ตั้งใจอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่จะออกไปเนี่ยมันมันครบกำหนดทีนี้ก็เลยพอมีหลวงพ่อชักชวนก็เลยอ่ะอยู่ต่อได้ขอสักอีกสองอาทิตย์นะครับพอไปฝึกแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับตอบคำถามคือปกติเนี่ยเราทาเนี่ย ทุกคนมันจะมีมันจะมีความคิดความคิดเนี่ยมันจะแล่นเข้ามาในหัวตลอดแล้วมันจะมีคำถามเกิดขึ้นมาตลอดแต่เราจะไม่กล้าถามเราจะติดเราจะติดเราจะไม่ไปไหนทุกคนในที่นี้ก็ ก, ก็ก็น่าจะเหมือนเหมือนกันว่ามันจะไม่มันจะต้องมีคำถามเกิดขึ้นพอได้มาเจอหลวงพ่อด้วยความที่หลวงพ่อรอบรู้นะครับก็สามารถตอบคำถาม ที่มันติดได้เราจะแน่ใจได้ยงไงว่าเราไม่ติดตรงนั้นอีกแล้วก็ดูจากการประพฤติครับความคิดเรายังไปข้องแวะข้องเกี่ยวกับตรงนั้นอีกหรือเปล่าการประพฤติ ก, การปฏิบัติมันติดตรงนั้นอีกหรือเปล่าหลวงพ่อก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วยนะครับที่ช่วยตอบคำถามให้มันคลายความสงสัยนะครับความความลังเลสงสัยก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งเหมือนกันอ่า ขายมาเรื่อยๆขายมาเรื่อยช่วยนะครับเพราะทีนี้อ่าได้มามีโอกาสมาฝึกเสร็จปุ๊บก็จะกลับไปที่วัดแพทธรรมารามจะเป็นราษิขาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อที่ที่แพทยนะครับที่แพทยธรมรมารามนะครับก็ก็เหมือนกันว่าให้โอกาสหลวงพ่อบอกว่าอย่าอยู่ต่อก่อนให้เข้าพรรษาก่อนนะครับทีนี้นด้วยความที่ว่าตั้งใจแล้วก็พอ ตอาคําถามแล้วมันขยับครับจิตมันจะขยับพอขยับเสร็จปุ๊บมันก็ไปติดตัวใหม่ต่อแต่ตัวเดิมที่ถูกแก้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ติดอีกแต่มันจะไปติดตัวที่สูงขึ้นนะครับระยะเวลาเป็นตัวทําให้เราเห็นข้อสงสัยในจิตที่มันติดเยอะขึ้นแต่ถ้าเราหยุดการปฏิบัติเราจะไม่สามารถหาคําตอบตรงนั้นได้ครับเราอยู่ไมเ่เลื่เราก็สามารถ แก้มันมาเรื่อยๆแก้มันาเรื่อยๆตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราติดอะไรบ้างแต่พออยู่มาเรื่อยๆเราจะรู้ว่าตัวเองมีที่ติดเยอะมากแล้วไม่สามารถหาคาตอบได้ภายในวันเดียวครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราถามด้วยความอยากรู้มันจะเป็นแค่เป็นมันจะเป็นแค่ความคิดมันจะเป็นสังขารมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ใชภสภาวะทางสภาวะธรรมที่เราติดจริงๆมันจะอยู่แค่ในความคิดเฉย นะครับทีนี้ก็มีโอกาสได้อยู่เข้าภาษาก็ได้ไปเจอเขาเรียกว่าหลวงพ่อบอกว่าเป็นประสบการณ์นะครับตัวปัญญาจะเกิดขึ้นกับพอตัวประสบการณ์ประสบการณ์คือพัฒนากับเรื่องใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยอย่างวันนี้เราเราเราเจอเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยครับเราเราจะต้องอทําความรู้จักทำความสนิทเราจะติดกันนิดนึงแต่ถ้าพอมันคลายได้ปุ๊บเนี่ก็เราก็จะเข้ากับเพื่อนคนนี้ได้ พอเป็นรู้จักกับเพื่อนคนใหม่อีกมันก็จะติดอีกแบบเนี้ยครับมันจะเหมือนกับการทําความรู้จักเพื่อนคนใหม่ทีนี้มันก็ติดไปเรื่อยๆพูดง่ายคือที่อยู่มาได้นขนาดนี้คือมันขยับได้เรื่อยๆครับมันขยับได้เรื่อยๆถ้ามันขยับไม่ได้หรือมันอยู่นิ่งหรือมันไม่ก้าวหน้าเนี่ยหนึ่งคือมันจะมีคําถามกลับมาว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วอยู่ที่ทําอยู่เนี่ยเราทําไปเพื่ออะไร อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเราเทียบกับวันแรกที่เราก้าวเข้ามาแล้วเราจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนถ้าถ้ากรณทีที่ทุกท่านตั้งใจนะครับก็จะเห็นความแตกต่างเรื่องความเข้มแข็งความนิ่งความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจว่าเวลาเรารเผชิญผัสสะต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับเวลา อยู่ด้วยกันกับหมูคณะเยอะๆเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยกระทบกระทั่งแม้แต่อาการกิริยาต่างๆก็สามารถทำให้เรามีความคิดที่ไม่ดีขึ้นมาในหัวได้ทันทีเลยเอ๊ะทำไมคนนั้นทำอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำอย่างนี้ใช่ไหมครับทำไมคนนี้ถึงไม่ทำนะครับอ่าคอยจ้องโทษคอยเพ่งโทษคอยดูแต่ผู้อื่นนะครับตัวที่ฝึกสติเนี่ย มันเป็นการทำให้เรารู้อยู่กับตัวเองคือภายนอกก็สั์แต่ว่ารู้ครับแต่ที่จเจริญสติก็คือให้รู้ภายในให้รู้ว่าความรู้สึกในคิดเราเป็นยังไงเราสามารถจัดการกับมันได้ดีขนาดไหนพอถ้าเราจัดการกับมันได้ดีขึ้นนิ่งได้ขึ้นความสุขมันจะเกิดของมันเองครับความสงบมันก็จะเกิดของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปไปฝืนหรือว่าไปเพ่ง จ้องมันก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติให้มันดับไปาตามธรรมชาติครับเป็นเป็นคนหนุ่มนะครับปัญหาหนึ่งของคนหนุ่มนักบวชก็คือเรื่องความรักความใคร่ตามวัยที่ทั่วไปที่คนทั่วไปเขาเป็นเมื่อความรู้สึกลักษณะนี้เกิดขึ้นมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ มีวันหนึ่งผมดูหนังสือเรื่องกายาคตาฮิติของหลวงตามหาบัวครับอ่านหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเขาจะมีขอโทษนะครับมีศพทุกแกบบทุกแบบเลยให้แยกออกมาเป็นแต่ละแบบคือผมเคยดูสองครั้งครับดูครั้งแรกรู้สึกกลัวหน้าขยะขยงแล้วก็วางครับแล้วก็ปล่อยผ่าน ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําบัตรให้เกิดปัญญาอะไรขึ้นเลยพอมาอีกครั้งหนึ่งพอมาภาวนาอีกครั้งหนึ่งเป็นข้ามปีครับแล้วก็ไปเปิดดูอีกครั้งแรกที่ดูเฮ้ยเหมือนกับเราอ๋อขึ้นเลยไอ้ตัวอ๋อเนี่ยมันเหมือนกับปัญญามันจุดประกายขึ้นเออว่ะมันมันเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์มันเป็นอย่างที่ครูบาพระพุทธเจ้าบอกจริง คือเราถูกหนังซ่อนไว้อยู่ซ่อนความจริงต่างๆอาจารย์เคยบอกว่าร่างกายนี้เป็นอ่เหมือนป่าช้าที่เก็บอศพที่ยังไม่เน่าเปื่อยไว้อยู่คือป่าช้าเคลื่อนที่มีแต่ของเน่าเสียบูรเต็มไปหมดเลยปล่อยทิ้งไว้เกินสองวันอาการ อ่าที่เป็นของเสียนี่จะแสดงให้เห็นทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเจอเรื่องของความไข่ความรักนะครับถ้าไม่มีสติตามอ่าตาที่เห็นทันนะครับความไข่ความรักก็จะเกิดขึ้นนะครับถ้าเรายัางตามไม่ทันอีกนะครับก็จะกลายเป็นความเพลินความหลงความอยากไปนะครับแต่คือด้วยความที่ว่าผม โภไนยโกก็คือดูตัวเองมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตก็จะรู้เลยรู้ว่าอ่าเราเราชอบล้ถ้าเราไม่ระลึกนึกถึงกายคตาสตินะครับเราก็จะปล่อยไปแต่เราปล่อยแบบรู้รู้รู้ว่าเออมันเป็นยังไงจะดูไปดูบางครั้งก็ตามไปดูแต่บางครั้งถ้ามันจําเป็นต้องตัดรู้ว่าตอนนั้นต้องมีหน้าที่ธุระหน้าที่อะไรที่ต้องทําก็ละลึกถึงเลยครับละลึกถึงกายคตาสตินั้นลองลอกหนังนั้นออกดูนะครับ พอลอกหนังตามหนังสือไม่ได้ลอกเองนะครับลอกหนังตามหนังสือออกอ๋อมีเลือดมีเนื้อมีหนังมีขี้ต่างๆสุดท้ายกายเรานี้ก็ไม่มีตัวเรานี้ก็ไม่มีมันเป็นแค่ธาตุที่เอามารวมกันนี่เฉยพอระลึกได้อย่างนั้นก็สามารถตัดได้เลยครับตัดความตัดความใข้นั้นตัดความ อ, อยากที่จะเห็น สัมผัสนั้นได้เลยครับไปทําที่ท่านได้กล่าวไปคือสำหรับคนหนุ่มนะซึ่งมีสิ่งรบกวนคือการมราคะความอยากความไข่อันหนึ่งที่มันเป็นเหตุรบกวนที่อย่างมากๆก็คือสําหรับคนหนุ่มคือการวางแผนอนาคตอนาคตเราจะอยู่อย่างไรเราจะเป็นอย่างไรอย่างสำหรับคนแก่นเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคนแก่ไม่ควว่ารอเจ็บเราตายไปข้างหน้าแต่คนหนุ่มที่จะเผชิญโลกต่อไปข้างหน้าลักษณะที่คิดถึงอนาคตวาดหวังอนาคตเองต่าง ซึ่งเ ป, เป็นเรื่องที่ท้าทายสําหกับคุณหนุ่มเมื่อความคิดนี้ประเภทเนี้ยเกิดขึ้นมามีวิเียร์ชนะมันได้ยังไงครับก็เรื่องของการวางแผนนะครับอ่าอาจารย์ของผมบอกว่าคนที่มีบา ร, รมีจะได้บวชทํายังไงถึงจะอยากออกไปยังไงก็ได้บวชคนไม่มีบา ร, รมีไม่ได้บวชยังไงก็ไม่ได้บวชครับแต่ในเมื่อบวชเข้ามาแล้ว ให้ตั้งใจสักครั้งหนึ่งไหนๆก็ไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีบ้านไม่มีรถมาลบกวนแล้วก็ขอให้ตั้งใจสักครั้งหนึ่งถึงแม้ว่ายังไงก็ต้องออกไปหรือจะอยู่ต่อก็ยังมีวิชาติดตัวที่จะไปสู้กับทางโลกได้นะครับ อ, อย่างที่บอกนะครับก็คือออกไปทั้งโลกก็ไม่ได้หมายเขาว่าเราจะปฏิบัติทําไม่ได้ รักษาศินไม่ได้เป็นคนดีไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมื่อห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ก็ให้ทำให้ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้ก็คือให้จับหลักให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรครับพอถ้าเราเห็นภัยจริงๆเห็นทุกข์จริงๆเห็นโทษจริงๆในวัตตสงสารเนี่ยไม่เอาละจะเอาคนทุกข์ละก็ จเจริญสติเลยครับสู้เลยเมื่อวานหลวงพ่อบอกว่าให้แปลงตัวความคิดความ อ, าอยากหรือตัวจิตที่มันขุ่นนั้นแปลงไปเป็นสติ ส, ส, ส, สัมปชัญญะเลยคือความรู้สึกตัวเลยนะครับให้มันหนาแน่นแล้วก็แม่นยำเลยนะครับอันนี้เป็นคาพูดของหลวงตามหาวิทยาลัเ ป, เป็นวิธีแก่นะครับคือเรียกว่าศาสนาบารมีครับ ว่าคนเรานั้นถ้าสมมุติมันมีวาสนาบารมีที่จะอยู่ได้ยังไรก็หาวิธีอยู่แต่ถ้าคนไหนไม่มีวาสนาบารมีที่จะอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้จะมีอะไรมาซื้อมาห้างไว้ก็ไม่อยู่ครับท่านผู้ใดที่ที่ฟังแล้วรู้สึกเกิดข้อสงสัยอยากจะถามมีไหมครับซึ่งเป็นคนรุ่นท่านนะครับมีอะไรแบบเดียวกับท่านเลยมีไหมครับคนหนุ่มด้วยกันปัญหาระดับเดียวกันน่ะคิดว่าถ้าสมมุติว่าจะน่าจะเป็นทหารอย่างนี้ เป็นความจริงที่น่าจะมีเนี่ยมีไหมครับสงสัยไหมนะอันนี้แค่บทด้รุ่นเราอย่างเราเนี่ยนะแต่ยอยู่ได้มาถึงสองพรษาตอนแรกตั้งใจว่าจะอยู่สักไม่นานน่ะนะครแต่อยู่มาได้ก็คิดว่าเท่าที่ท่านมีปัญญาแก้ปัญหาได้มาถึงขนาดนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะต้องแก้ปัญหาอยู่ได้ยาวทีเดียวนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านนะดังนั้นวันนี้สําหรับการเสวนาธรรมเราก็ ได้สาระพอสมควรนะครับเราก็ถือว่าใช้โอกาสที่ช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงหน้าง่วงหน้าเหงาหน้าหลับหน้านอนเอามาใช้ในเองการเจริญปัญญาทึ่งเรียกว่าสูตะมยปัญญาได้ยินได้ฟังบางท่านได้สูตะด้วยได้จินตามรยปัญญาด้วยและได้ภาวนาด้วยบางท่านก็ได้แต่ฟังแต่บางท่านไม่ได้ทั้งสักอย่างทั้งสามอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราฟังเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกัน เราทำเหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนกันครับอยู่ที่วาสนาบารมีและอยู่ที่ความตั้งใจนะก็ขออนุโมทนาขอคุณท่านบูธหรือท่านอะไรท่ทราธรทอนเนะททะาะท่านธารก็ขอให้อยู่มีความสุขในธรรมะในต่อไปนั้นพวกเราทั้งหลายก็วันนี้หลังจากตรงนี้เราเบรกกันนิดหนึงประมาณสักสีนาทีเข้าห้องน้ำพึ่งซ่วมเสร็จแล้วเราก็จะมาภาวนากันต่อที่สระครับตอนนี้เรากราบพระพรอมกัน